มีคนมาจามาาาับครัแนววัดครัแต่วันนี้สงการทง า, ร า, า, ายยทร ง, งวับเขาจับวันสมายที่ตัวในพันราชท่านไม่เประโจนท่าจะเสด็จมาให้สวด น, น้ำแล้วในในนิ ม, มนต์พมา5้าส้ายคนเรีมารับสังฆทานจก็จะห้าร้อยบวกตีเพ่ถ้าตีห้าสบก็บ่นห้าสิค ก็เป็น999ลูกแล้วเป็นอานารที่วัดโาณควาธิความสงฆ์สองสองสองครั้งวัดโบราณวัดธรรมบุญเพื่อการเป็นไทยมีงเงินมา999ลูกในธนาคาร9500กับ4คือ9 แต่เราไม่ได้ไปรักเเคยลงไปข้งเดียวเห็นม่นาดวานเยอดเยอออยเิรามันต้องแบบอยู่คนเดียวเนของอีกกนเขา้งอนะีค <c oughs> นอะ <c oughs> ยนะมจำนวะนะเยแนะยนะยนะไรอยาี อย่างที่ดูมีในทรานูในโษณาของวัคนกายเขามีสองดุองดหลวันมีวันพระ้ห้ามเนี่ยวันที่2ี่สิบสองวัน้คลองเโลกโอโหดูภาพที่ถายมาวันที่เราจัดงานมันมองคนโลกคนงุ่นใหม่ระกมานเรียนงานบริกา ต้อ ย, าบาายบับว่าการระบบการจัดการของเขาดีเพราะจะเรยวลาท้งห้ามเดินเล่นระยะเดินที่ไปแต่ถึงวันเวลาก็ห้ามเนคนถึงทุกสาขานอนที่เป็นงที่ที่หลับที่นอนที่อะไรต่างๆเยอะเลยเขาดูปริมาณเป็นหลักการนีใหญ่ ไยังไม่มีมันมีแค่สามตัวนณะมีกี่ล้านกี่พันล้านจีเลนแค่สามตัวมันครอหัวใจได้ลางลคนในโลกเนี่ยมีกี่พันล้านคนกีาครั้งมากของจีเลนสามตัวในสามโลกสามภูมิสามวงแต่ว่าไอี่เลนเราก็แค่ทาตัวเดียวครับทำตัวเดียวของพระเจ้า อย่างนแล้วมัน่มัน ม, มันแพมีระอเจ้าเป็นวเดียวนคือสติลตามตัวมได้มีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ก้ก็ปปเป็นความทักทันามหงจากที่พนนระพุทธเจ้าเปปรับญเวลาประกาศความทักทันก็มีคือคือมีสติสัญญาสามารถ นำออกไปประดับทำอาทางลาทนที่เย็ยืกยอดนองที่เน่มด ไ, ได้ราคาเป็นพระอาหันบาวน์ทู่าเปันจนวนามากมารอย ล, ละเกิดเดยอะแล้วก็ในหลัน้อ 5, ยห น, น, นึ่งพันสอร้อยห้าสิบอูกงตัดเร์วันเป็นเดือนตแลดลงประกาศพร้อมกระจำวันลวันเป็นเดินแป พออีกเจ็ดเดือนพอมาเปวันเพ็เรียนสามถ้ะเป็นวันมาฆาพิฆาตวันที่ถ้าอาารยรสาห่งพาสามร้อห้าสิบมาจากพิฆาราทเลยได้หน้ามายตรงนี้ก่อนวากพิาเป็นทั้งเดียวในตลอดกาลองมูลขพิจาราต้องกาว่าในแต่ละ เราจะรับผิดการในในศาสตร์อุตสาหกรรมของพระคุทธเจ้าแต่พระองค์ในวันวันนี้ปรากฏขึ้นอย่างข้างเดียวแล้วก็มีกรนวามากม้อยต่งกันที่อยู่จากท่าบริเวณเราเราติดตัวจากฝั่งหนึ่มาติดตัวอย่างนี้มากกว่าอย่างต่อมาเราติดตมาก็นน้อยกว่า เพราะว่าเรามีความพุทธเจ้าแต่เพราะมีความสามารถมีปฏิปัญญาที่จะปลุกฝังศาสนาให้อยู่เย็นได้ต่างกันศาสนาจะมีอายุต่างกันแต่ช่วงอายุของกาสนาในการะาสนาเม่อเกยดเทียงกากช่วงที่ช่วงที่ว่างเล่นจากภาษาศาสนานี้ เป็นเวลาที่ห่างกันทังนิจในแต่ละวรื่อของเรานี่ห้าพันปีตรงหมด 5,000 ปีนีแล้วก็เป็นกลับกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาปากฏมาตัดสุลุยมาตั่งสอนกลับเรื่องเป็นกลับเป็นกันทำให้กลับว่าการที่ถลายเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่เราไม่สามารถใช้ ให้หมายเรขหมายเลขยับทได้ทาเตี้ยที่เรา ว, าว่าเหมือนกับทุกยอดตีให้อาบผ้าไปยุดภูเขาพิมาลัยเหมนกันให้ทานี้ทุกยอดตีแล้วจะยุดทั้งจนกว่า ก, รรกรารายาูดนี้ี่ทำให้ภูเขาพิมาลัยเสร็จยากลงมาเท่ากับพื้นดิน ก็คิดดว่าจะใช้เวลาน า, านขนาดหนเลเราเน่าเน่าเน่ารูปอยู่ทุกวันทุกวันเวลามันยังไม่สุดเลยเราทุวกวัจตื่นมามามาเราเนี่วเาักทางอย่างนี้มัก็เราไม่สะดก็าต้องใช้เวลานานยางเลย เพราะงั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เคยพูดถึงต่อมาในชาติหนึ่งต้อเป็นว่าการการชอบวาสนาเป็นจังหที่ดี่ากแงะไม่ได้อย่างใ่าดายเพราะการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งก็ไม่เคยเป็นเป็นงานการแต่งงนยากที่จะกลับมาเกิดมาได้อันได้บางเรื่ ทบามีไวม่จะได้เราใส่นนบารมีบางทีก็จะเกิดเป็นเทวดาศก่อนจะหมดเวลาไปไ ห, ไหายทัาตีเปเทวดาศอาจะกลับมาเกิดเป็นเรล็กพ า, าพฤกันแล้วก็หายไปจากเราแ่ถ้าเรายัางไม่มีธรรญยาที่จะสอนตัวเราเองให้รู้จับด้วย ที่จะทำสิ่งเรให้ลดคนเราก็ยังจะต้องหลงกลับกระแสของธรโลกของโกที่มีทอะไรเราก็จะไมยมเชื่อควารของเขายกเวนว่าถ้าสิงเราได้ับร้าพระยะทำาพระยะบุคคลขั้นแรกคือเป็นพระโสดาบันเราในเท่ากับว่าโสดานี้ท่านแปว่ากระแสโสดาบันเป็นที่ได้เข้าถึงกระแสของพลุิพลาน ให้เข sure ้าส <zać> mm, ู่กระแสลาที่นี้จะไม่ต้องมีการัสอนไรตัวเองสามารถว่าจะตามประแสนั้นสามารถปฏิบัติไปตามสติปัญญาของตนที่ได้มีว่สามารถใหาในในต้องทแล้วมีปฏิปัญญาพอที่จะพัฒนาขึ้นไปได้ด้วยตัวเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่ไม่เจอระกษ์อะไก็ไม่เป็นปัญหาอะไร สามารถที<ภ>่จปฏิบัติถ่านได้นุษรลภายในเจ็่ชาติายในห่งาะของพระพุทธามชาตินี้จะเกิดอุญาติปฏิบัวิจนุแต่เป็นเทพถ้ากิดพัฒนาถ้าเกิดพัฒนาในระับที่ยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปอระดับนึ่งปนพพดาวขาวนี้งก็จะเหลือเพียงชาติเดียวที่จะต้องกลับมก เปนลแล้วก็จะบรรลุเป็นตาอาญาได้ได้บรรลุสมชุทธคันนตาอาาคาลิ้จนได้กลับมาเกิดเป็นอีกครั้งนึจเกิดดวงันทรั้งส่ห้าชั้นด้วยกันเป็นที่สดสองพระอาญาคาลินโดยเฉพาะข้าวอ่อยเฉพาะขา หนึ่งที่ต่างเลยคือเราจะบาารรลุเป็นพระอรหันต์ตนาานในสภาวะนี้ไม่ต้องมีร่างกายพระอนาคามีนี้ไม่ต้องมีร่างกายแล้วตอนนั้นจิตได้สอยวาร่างกายแล้ไม่หลงไม่ยึดไม่จิตไม่ความวเป็นไปใช้เอาไปเป็นเครื่องมือต่อไปและปัญหาที่มีกับร่างกายสมบูรณ์ทุกทีเลยา่าถ้าปัญหาต้องมีร่างกาย เราชอบคนนั้นชอบคนนี้มีไรกต้องต้องมีมีมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมามีแลมีผกภลาให้มันหลงไหลให้มันเพลิดเพลินใมันมีความดีแต่ถ้าบรรลุถึงขั้นพ้ะอาการย์ธรมีแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่สวยเลยวันร่างกายที่เรีนการรับิดชอบ เป็นปกรรมในวามไม่เสไม่นานต่นางๆวาเยที่ภต้ น, เ ก, นกก เ, เกิดไม่ดีออกมาตลอดเวลาเป็นจิตที่น้ารังเกียจมากกว่าหน้านดีเดป็นจิตของพระอนาจันทร์จะเป็นอไเช่นจงเียจง่ ด, งดีจากการมีคู่ครอ ถ้าท่านบรรลุเป็นพราอหารก็ไม่ต้องรอตรวจเลกษาไปถ้าอย่างถ้ามายถึงท่าปฏิบัติในชานตาินี้ไปเรื่นยตั้งแต่ท่านโสดาบันไปจนได้เป็นรอรเป็นพระอรหันต์จะารวมในสมาธิจักรีในสมัยปฏิบัติได้ถ้านจะปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นความบวรักษาสิบำเพ็ญภานาใวนสมาธิวันปัญญา ใจงานที่จ de ิตจิตแก่ได้พบปะวามบริสุทธิ์เกิดในได้ภานะความโลภความโกรธความเหงแล้วพุ่งไปอย่างติดต่อไปจิตได้รับความจากอนาจงิตวิญญาณที่เป็ังารให้สิตยนาการเิใะงหาวามจิตจะเ่างแล้วความเกิดจะรุกเป็นจิตวัตถะั กพรทั้งี่เป็นส่วนยาและส่วนที่ละเอียดคือมือส่วนที่ยา ก, ก็เป็นพวกที่เราเรียนรู้ด้วยกันส่วนที่ละเอียดก็เป็นพวกตายพิษกันเป็นลูกเปนิถ้าเราสกตเนี่ยโดยหม จ, จากความที่เรามาถ้าเราฟังดูงน้นนนี้นนนนนมีความส ไม่เห็นสึ่งนั้นได้เห็นตรนี้เลยในความฝันนั่นแหละคือคือของทิศไม่ต้องมีการไม่ต้องมีไม่ต้องมีประโยน์ไม่ต้องมีการ ไ, ไ, ไ, ได น, นอนหลับแล้วก็ปรากฏเป็นร่างไม่นมาในในจอภาพผนั ง, งนั้นก็เหมือนกับเป็นตายทิศ แ, แต่ก็ทำใมได้ยุสวรรค์ชั่วคราวสวรรค์ชั่ว 6ชัมง8ชั่วในขณะที่เราหลในทางตรงกั้าถ้าสารรา้ายมันก็ติดฝนวอมร้ายํานก็มีปัหาต่างๆมีความเครียดมีอะไรก็เหมือนกับต้อมารบเลยนะติดกับตัวให้ความทุกข์ดังนั้นความจริงเราจะต้งมารบขึ้นสควงมสุอยู่กันตลอดปวลา ชนะกันน้อยก็แอยู่กับดึงบารมีแลบากรรที่เราทาไว้เวลาเราทำบาปทกากรรมไว้จิตใจเราจะว้าวุ่ึ้เรือยทั้งในขณะที่เกิดและในขนาดที่ตอนนั้นก็เหมือนกับบอกว่าถ้าเกิดมีความโลภความอยากผลขันก็ึ่มีเพียนั่งสนี้ประยาก็ได้่เป็นเรื่งตอนทั้งที่ไม่มีา ก, ออการเปิดเผต่อการระลึที่ มีปัจสัยดีแล้วก็มีคามเสี่ยนะแต่อยากจะเลี้ยงมากๆม่กความโลก่ก็เป็นวิจาร์ของเกิดร่างกายจะไม่ลดแต่จิตเป็นเปิดืีถ้ามีความหวาดกลัวไปัทั้งหนอยกลัวไปนหมดกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้กลัวอดอยากขาดแคลนกลัวสงครามกลัวความร้อน ช่วงฤดูร้อนเขมาเนี่กลัวเลยลกลัวร้กลวัวไฟจะดับดับแทมไม่ทำงานตู้เย็นก็เสียอาหารที่เก็บไว้ที่จะรับประทานทจรับประทานไม่ได้อาหารเน่าเสียแน่ๆเพราคนเรามีมาขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีไฝ่ยแรงมากขึ้นก็ ไม่มีปัญญาที่จะสร้างกระ้าเพ่มขึ้นมาทุกวันนี้เงี่ยนอกจกปัญญาขึ้นมากติปัญญาเราใช้ไม่รุ่นากันโทรทัศน์ทำอเไรอยู่วิทยทำอะไรฟังคอมพิวเตอร์ก็เกิดไม่ได้จิ้นจกก็ตอบไม่ได้ข้อะไรไม่ได้ท้งอย่างเลยอยากสิ่งที่ทําได้เราไม่ต้องใช้แต่การํามได้ทำเลย ภาวนาเน่บบสนเด็ดบดีจะไปสวรรค์ขัานไหนก็ได้จะเป็นระดับขุมไหนก็ได้มันด้วยภาวนาจิตใจนี้เองนี่คืออำนาจของกิเลสการจองโลกโกดลงมันคองจิตใจของจักรโลกเมืกก่อเราเจ้าหกพันแล้วแล้วจับเล็กจับน้อยที่นักบวชให้หมด้วยมัดแรง ตัว น, อ น, น, น้อยจัดงัดการตางๆาในทะเลในมหาสมนะุทรโอเคหมันยันเป็นยงครอบคุ ม, ม, มไม่หดนะมันควบคุมไม่หมดนจัดรกนว้ในโลกนี้ทพระุเจ้าพาระอหันต์พระอริยะเจ้าเานั้นที่นังควบันควบคุไมได้พระอริยะเจ้ามันยังควบคุมได้ด้การมีรดับขั้นของขั้นมีพราอหันกับพระเจ้าเท่นั้น ท, ที่ ที่หลุดความอจารำหน้าของความโยก ค, ความโรความล้ถ้าเรียกพระสุดาวันนี้ก็ยังเป็นามหน้าของกิเลสคือราชาชัานมาผู้ทพระสุรดารวันยังมีคเพียงงดในรูปถึงตัวของตับอัยังมีความดีในคู่ครองยังไงยังมคาว า, า, า, ามดีในคู่ครองส่วนพระอาาคารยังรรทั้งตัมีความเหน่ยิดห่ ในตัวตมของ ท, ท่านนี่ก็เป็นควาหมหลแบบละเอียดในความหลงติดอยู่กับควาจมจบในละเอียดของจิตในระดั บ, บนั้นคือเรวาวมีรารณ์จะเอาวิจารมีความวิจาร์กับมากนะคังเพราะนั่สามารถสลับความหลงต่างๆให้หมดออกจากจิตใจได้ ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความจุขเพราะเป็นปรมสณูขันโดยธรรมชาติของจิตจิตที่ตัดสัจความหล้ก็ไม่มีความโลภก็ไม่มีความโกรธก็จะไม่มีไม่มีความสุขอะไรลงหรือมีมีจิตในใจเพราะเป็นจิตที่สาบริสุทธิเปลี่นไปด้วยตรมสณูขันเป็นความจบสิ้นให้ความอิ่ให้ความพอ อยู่เฉยๆ่็สบายไม่ต้องมีอะไรมาท่านรักษาไม่เหนต่อความกิดทางลูกถึงจกิดแล้วกิดแต่็ต้องเติมอยู่เรืยๆดูหนงเนี้แล้วเดี๋ยว็ะลองมาลงเรื่องต่อไปดูละครเรื่องนี้แล้วองดูละครเรื่องต่อไปรักษาฐานงานนี้แล้วจะต้องไรักษาฐานกานนไม่คิดเส ความอยากทางโลกทางวิังเกิุวโภการนี้มีไม่ที่สุดมีความควาสุดที่ได้จากการมีตาแหน่งไม่เป็นนั่นเป็นว่ก็จะน้างคออยู่ได้ขั้นต้นถ้าเป็นฐนานได้ในเ้็ยโถงก็ดีกวราดีใจะระยะหนึ่งก็อยากอยากขยขึ้นเป็นวน้อยร้อยงว่าออรวมไปถึงคนเอง คนไม่มีที่อยากเพิ่มนะเพั่อยัางอย่เพ่อย่างน้วก็ขอให้อยู่ไปนานๆหรือถ้าไดได้ยศล้าก็อยากจะได้ตำแหน่งได้คนเอกล้าก็อยากจะเป็นผู้บังคับบัญชาสามทนี่คือความสุขทางโลกที่เกิดจากความอยากมีอยากเป็นอยากได้สัมผัสกับ กินต่างๆต่อให้ได้มามากน้องงยเท่าไหรมันไม่ได้สร้างความอิ่สร้างความพอให้กับเจเพราะมันไม่ใช่เป็นอาหารของใจถ้าเหมือนกับรับประทานแนละ้วถ้าเห็นถ้าเปียบกับร่างกายก็เหมือนกับรับประทานแต่ลงยินแต่ลงร่รางกายมันก็หิว อ, องงยู่ตลอดเวลาต่อให้เอาลงใส่เข้าไปในร่างกายมากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มต้องรับประทานอาหาร รับะทานดืน่มมันจะพยายามทให้ร่างกายอื่นใจได้แคนเดียวกันสิ่งที่จะทำให้ใจอื่นก็คือธรรมะธรรมะที่เกิดจากกาปรปฏิบัตทางกายวจาใจ ร, รู้พระพุทธเจ้าก็ทรแสดงว่ามีอยู่ชีวิตมีแปดประการและรู้มากแปดนี่คือธรรมะที่จะทําให้จิตใจมีความอิ่นมีความพอ นอกจาก็มีสั ม, มาทิฏฐิความเห็นชอบแล้วก็มีจกเมื่อมีความเห็นชอบก็จะพาไปถึงการดำํำมิจฉาหรือพอเรามีความเห็นแล้วเห็นแดงได้อย่างหนึ่งก็คก็คจะคิดไปตามความเห็นนั่นถ้าเราเห็นว่ า, าการเสจสุรายมม า, ามานํพาสิทธิมาให้เราก็คิดว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาสุรา ม, มาันเองกัน ถ้าเราคิดว่าการภาวนาทําให้จิตใจมีความสุขเราก็จะไปวัดกันเราก็จะคิดไปวัดกันนั้นตัวสำคัญที่สุดก็คือทิฏฐิความเห็นว่าจะไปเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบถ้ามีความเห็นชอบก็จะพาให้ไปถึงการดำเนุนชอบที่เปนสิ่งที่ถูกต้อง นี่มันเป็นที่จะทำให้จิตได้พบควา ม, วามสงบความสุนความพอรักษาจิตก็คือการเข้าสู่ธรรมะนั่นเองการการปฏิบัติธรรมการแต่งการทำเพื่อทานรักษาสีภาวนาก็จะพาไปสู่จากธ ม, มาที่จิตความสิชอบเข้าเป็นปสความดำดิอชอบชั่งรำมาสังกัดโตไปสึ่ธรรมาธรรมันโต าการกระทำชอบการจะทําทชอบก็คือาการกระทำที่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นการละเว้นจากการท่าสาัตวิป่าทีักลอประทุถูกทะเลนี้นี่อยู่ในกลุ่มของการกระทําชอบทางทางการการกระทำทางการแล้วก็ประจยูการดรํออ า, าริาชอบอาการการวาจาชอบคําพูดที่ถูก ไม่สร้างทามทุกข์ไม่สร้างทมเดือดร้อนให้กับตนเองหรืผูอ้อื่นก็คือพูดความจริงละเว้นจากการพูดปลดละเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อมุนพาการเลเรื่อ ง, ร ง, เ, รองเรื่องสาระต่างๆเรื่องที่เปสาระคืออะไรก็เรื่องธรรมะนี่เองเรื่องเสียงเรื่องภาวนาเรื่องปัญญาเรื่องการอดทนเรื่องญาณทัศนะ เกิดจากการขอนที่ถึงการประกอบความภาคเพียงที่ถึงความมักน้อยสังเดชที่ถึงสถานที่สมศรย์พิเวทเพราที่เรื่องราวเหล่านี้แล้วมันเกิดคนเคยเพราะจะทําให้จิตใจฝ่หาสิ่นเหล่า น, นี้ถ้าพูดเรื่องราบเ ร, เ, เ, รเรื่องแต่ละเสริฐเรื่องแฟชั่นเรื่องสถานที่เท่าเทียมต่างๆ ก็จะทำให้ใจคิดถึง เ, เรื่ององื่นั้นก็อยากจะออกไปตามประถมที่ต่างๆอย่างนั้นไปทำเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องพูดอยู่ในกรอบของสัมมาวาจาคำพูดที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาจิตใจให้ิดสิ่การดิบพนอย่าไปพูดในเรื่องที่จะจุด้ากจิตใจให้ติดอยิ่ต่อการเรียนรตามตันั้น เวลาคุยกันเดี๋ยวต้องคุยในในกรอบของในเรื่องของธรรมะเป็หลักมันคุยว่าเรื่องที่นึงจะไปทำดีที่ไหนดีจะไปภาวนาที่ไหนดีเราจะจะไปเชื่อที่ไหนดีไปจริงที่ไหนดีต้องคือต้อคือตัณหาละละนั่นะการที่พอเจอยังกะล ะ, ะลนั่มจากการพูดคำหยา ธรรยางนี้เป็นหมือนกับขยะทางทางอากาศแล้วพู่ออกมาแนละ้วทำให้คนรูของคนสงมีิสิตก็ปวดตามไปเรอยเ็นขยะเวลาเราเห็นขยะนี่เราก็รู้ว่ามันเหม็นมันไม่น่าดูเราก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เวลาคนพืดธรรมยาบนั้นก็ไม่น่าฟังก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่ดูสงสารคทาง ตึงตามแล้วทำให้เกิดความยุ่งร้อนขึ้นมาอนจิตใจคํายามนี้ควอย่ามมักจะเกิดในขณะที่จิตถูกความกลรธครอบงำอยูอ่ถูกความโลภครอบงำอยูอ่โลภแล้วไม่ได้ก็เกิความโกรธขึ้นมาก็จะระบายออกมาทางมาจาใครเป็นคนขัดขวางก็จะต้องโดนเป็นอย่างแรก นพ่อร่อ แ, แม่ไายเรื่องทั้งคนทั้งผู้หญทั้งหลายหรือจับทั้งหลายหรืออวัยวัฒน์ต่างๆนี่คือธร อ, อยากที่เราไม่ควรพูดเพราะมันไม่ส่งเสริมให้จิตสงแล้วก็ให้ละเว้นจากการพูดสอาเสีย จดเสียง น, นี้ไม่ได้เป็นไม่ได้หมายความว่าเสียสื่อพูดะตะกุกตะข่างคนนั้นอันนี้ไม่ได้ความหมายต้องคําว่าจดเสียงจดเสียงหมายถึงการพูดยิดเยื้อไเกิดความแตกสามทีไม่เกิดความเกลียจชังต่างไม่ขาดขาดความเมตตาต้องพูดทางตรงกันข้าม เวลาใครเขากรวใครแล้วมาระ บ, บายกับเราเราอย่าไปสงเสียว่าเอาเลยมีเลยข้าเลยคนนี้มีนี่เรียกว่าสอบเกี่ยวเราต้องบอกว่าอย่าไปติดตัวกอดเธอว่าเลยที่ว่า เ, เราเคยมีนี่มีกรรมกันมาค ว, วามนี้ใช้ใช้ไม่ใช่กรรมเป็นไงถ้าเขาเรียนรับการตรวได้ผขาไม่ไปทำอะไรเขาให้อภัยได้เรื่องก็จบจากคนสักอย่างอย่างสบายแต่ถ้าไปสงเสีวเ า, าว่าเอาเลย เพราเราก็เิือเขาแล้วเพื่อเดี๋ยวก็ต้องเป็นเรื่องตนราใหญ่งตเป็นอย่างในธรก็เ่าเดี๋ยวเราก็ต้องต้องหลบหนีหลบซ่อนเพราะเมื่อทำผิดแล้วก็กลัวจะถูกจับไปลงโทษนี่คือสัมาวาจาคือละเว้นจากผู้ในถิ่นที่ไม่ดี เป็ที่ดีแค่พูดก็เป็นพูดความจริงพูดทางสุภาพถ้าพูดด้วยเจิตที่ประกอบด้วยความเมตตาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างพระรวลาที่เราเห็นที่เขาลงในงานศมกษาน้องในักศึต่างๆเวลามีพระนั่งผลธนากันเขามักจะพูดเสมอว่าจะลองผลธนาทำกันเพราะพระอุ้งจะเห็นไม่ได้ ก็พูดเรื่องอื่นก็ถือว่าผิดศีลทนสังเกตดูจะเห็นเวลาก็ถ่ายรูปครูบาอาจารย์ลงสีแล้วก็จะบอกกำลังคนงานทำอยู่มันจะพูดเพราเจอพูดสาเสียพูดทำอยา่างต่างนี่ก็คือมักที่เรียกว่าสัมมาอาชาร์ย่องจากนั้นก็มีสัมมาอาชีโ ทุกคนต้องทำมาจิตเลี้ยงชีพเลี้ยงต่างเี้งท้งทองก็ต้องทำอาชีพที่ที่ถือไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปเดือดร้อนชีวิตของผู้อื่นอย่าไปทำอาชีพที่ต้องฆ่าผู้อื่นเชนฆ่าแม่จระจิกฆ่าปลาฆ่านกฆ่าไก่ฆ่าเป็ดฆ่าหมูถึงแม้จะเป็นอาหารของเราก็าราให้มันตายก่อนเป็นกาะอนุรักษธรรมา อยากไปชี้บอกว่าต้องการตัวนี้ว่าอยู่ในถั ง, งาน้าในร้านอาหารแล้ก็ไปชี้ว่าต้องการปาตัวนี้มาเป็นอาหารานี้จะถือว่าไม่ชเป็นสัมมาชีนอกจากนั้นก็ท้าทายในสิ่งที่คุณนลิกเป็นภัยกับชีวิตของที่อื่นเช่นปราชวุฒเรื่องกับดับกบต่งาง เพราะเขายาวไปค่าผู้อื่น้ตเองต่อาากัรแบบขปฆ่านเขาว่ามุเติงไปยิงผู้อื่นไปฆ่าผู้ อ, อ, อ, อ, อ, อี่หรื อ, อยาพิษสารพิษต่างๆยาฆ่ามดแมลงวันนี้ก็ไม่ควร่าเขาหรือพวกตุลายาเก็บตุลาเป็นโทษไม่ไม่มีุดไม่เป็นคุ้ม เสืเ่อมสไม่เป็น ค, คลัเพราะเสกพไปบารมีทำให้ขาดสติทําให้ไม่สามารถยับยัง้งความคิดที่ไม่ดี <c oughs> ไม่ไม่สามารถยับยักตามทํา ท, ที่ไม่ดีไนดะ้เพราะไม่มีสติสติเป็นเหมือนเบรคที่จะคอเบรใจไว้ถ้า ม, มีสติแล้วก็จะทําอะไรต า, ตามความตามอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ ถ้าเป็นอารมณ์โกรธก็จะพูดทำหยาดประทึกทำร้ายสิง่งขาต่างๆถ้าเป็นความโลภก็จะไปไปลักไปขโมยไปกระทึกจิตโอเวมีเป็นความอยากความ ต, ามตาม้องการสิ่ของ ต, าตา่างๆได้ทํามาที่ที่ทีุ่ดที่สุดเกลิกที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดโทษกับผู้อื่นเป็นหมอเป็นพยาบาล เป็นพระอาชีพผี้นีแม้แต่พระก็มีอาชีพเหมือนกันพระอาชีพของพระก็คือการบินตำบัดพระพุทธเจ้าสอนพระตั้งแต่วันบวชในวันแรกว่าให้หาให้หาเลี้ยงชีพด้วยกนลํนำแค้งของตนจะมีแต่ความเจริญโดยฐานเดียวให้หาให้บินตำบัดใจตลอดชีวิตเลย ยิ่งจนกว่าที่ร่างกายไม่สามารถที่จะทําได้แต่สมัยปัจจุบันนี้ญาติโยมจับเห็นว่าไม่ให้พระบิตฑบาตเป็การทําบุญตัวอย่างให้พระกำลังลังนิมนต์ให้อยู่วัดแล้วนําอาหารชาวหวานมถวายที่วัดอย่างนี้ความจริงนล้วไม่ให้เป็นสามาศที่อะมาทำอาจจะเป็นบุญสําหรับญาติโยมที่ได้ทําบุญ แต่พระจะเกิดความเกดครติข้นนี้สบายไม่ต้องตื่นเช้านอนพักลางโมงเก้าโมงก็ได้เดี๋ยวเพลงญาติโยมก็กรบข้าวกับป้านนอนถวายที่วัดเช้าก็รงมาวันกินไปไปกิ น, น, น, นไปก่อนปิ้งของตังรอไปก่อนเดี๋ยวเพลงก็มีคนจัดาหารจาวาลมาได้ ความเพียรก็ไม่มีมีแต่ความเกิดการเวลาจะเดินจงกรมก็จะเก้าไม่ออกเวลา น, น, นั่งสมาพิ้นก็จะพักสงบดังหนมาที่ของนักบวชขันพระก็คือการดิ้นรนบบไปตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากจริงได้กำหนดไว้ในอีกที่หนึ่งคือในชุดองควัาแต่ไม่ได้กำหนดว่า ผิดศีลท่าไม่ได้ดินธรามดไม่ได้อยู่ในศีลสังร้อยี่สิบเจ็ดข้อเพราะทรงเห็นว่าคงจะต้องมีการมีใจกเจ็นในบางครั้งบางคราวเจ็บไข้ได้ตัวย <c oughs> หรือที่กนที่ตารใดก็จะไม่สามารถออกเป็นธรรมดาได้หรืออยู่ในยุค ข, ข้าวยากหมากแพงไม่มีใครใจบาปหรืออยู่ในแดนที่เขาไม่อนุญาตให้ดินธบรมดเช่นไปต่างประเทศ ก็ถือว่าเป็นการขอทางผิดกฎหมายสมัยที่พระอาจารย์ชาท่านไปนโกรธญาติโยมที่ประเทศอังกฤษทางประเทศจีน ก, ก็บอกว่าบึงในบายไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายนอกจากจะดึงในบริเวณวัดนี้จะทําได้แต่ถ้าจะออกไปเดินตามถนนหนทา ง, างนี้เขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจ และนอกจากศาสนาพื้นแ้วยังมีศาสนาอื่นทั้งเยอะแยะมีรักที่อื่ น, นเยอะแยะถ้าเขาขอให้ทำก็ต่อบไปถ้าเป็นกาขอทานเป็นถนนมก็ไล้แต่เมืองชายเรานี่ถือว่าเป็นเมืองผู้ผู้ที่ผู้ที่ออกกฎหมานี้เข้าใจถึงหลักของพระพุทธศาสนาจึงยกเลี้ยงเรื่องการบินรบาดไม่ถือว่าเป็นการขอทานแต่การบินรบาดตรงนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายพอดี หรือให้บินจบาศหาอาหารมาไม่ให้ถือบาศไปเรื่อยเอาเงินทองผ้าป่าอะไรต่างๆเหลนี้นี่ไม่ใช่เป็นการบินจบาทตรงนี้เนี่ยก็เป็นการขอทานการบินจบาศต้องพระเดิมถือบาทไปเราก็ไม่เคาะประตูบ้านไม่พูดไม่ขอใครสอนให้เป็นไปตามกำลังขจาร ใครมีสภาวะอยากระใั่เขาก็เตรียมอาหารไว้ใส่ในไปยืขอพนนั้นขอเปนนี้มีคือหลักของการยินธรรมมีคุณประโยนกับพระหลายประการให้ความเพียงให้คำนึงถึงฐานะของตวนว่าตนเองนั้นไม่ได้ถึงตรงตรงไห น, นในมุมของของโลกในสมมตก็เป็นเพียงที่เป็นหนือนขอทานพนมนั่งกันเอง จึงควรจะมีความหลงรวมมีความพอใจกับอาหารที่ได้รับนําจึงควรจะชืที่จุดจิตอยากจะรับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามอารมณ์ของตัวเป็นการตาบกิเลสันตัวความนักน้อยสั้โ ด, ด่ทําให้กิเลสนี้คือความโลภความทื่ที่จุดจิตอยากจะได้อยากจะกินสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ สู่กำลังไปโดยปัจากการจากการบินตบานนอกจากที่นอกจากที่ทรงสอนในวันที่บวชในวันบวชแล้วยังกำหนดไว้ในในท่อทวดองสิบสามด้วยมีสิบสามข้อในท่อนั้นก็เกิดการบินตบานหน้ามันละ การสายาพระปฏิบัตินี้ท่านเทวาถ้าไม่ดีนสบายก็ถือว่าวางนั้นสะละกไม่ฉันถ้าจะฉันก็ต้องดีนสบายบางองค์บางท่านถึงแม้จะจิตท้ายได้ปวดถ้าท่านไม่ดีนสบายท่านก็จะไม่ฉันท่านจะมาให้จับนำนอกมาส่งที่ผู้กติท่านจะถือเป็นเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทอนาเพราะถ้าจิตไม่ มันยึดไม่ติดกับอะไรแนละ้วไม่ยึดติดกับร่างกายแนละ้วถึงแม้ร่างกายจะเป็นอะไรจะขานอาหารจะเจ็บไข้ได้ปวดก็จะไม่กระทบกระเดือนต่อจิตใจถ้ายัางติดอยู่ก็ะจะได้เป็นโอกาสที่จะได้พรนาเพื่อปล่อยวางพอเราจะปล่อยวางได้มันจะปล่อยในช่วงที่นี้ทุกขเวทนาที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ปวดหรือเกิดจากการขาดแคลนอาหาร พราะมันจิตก็ต้องหาวิธีทำลัยความโลภความต้องการก็ต้องพาแล้ด้วยสมาธิและด้วยการเจริญปัญญาเมื่อได้ได้ภาวนาะได้เจริญสมาธิเจริญปัญญาเ๋ยวมันก็ปล่อยวางได้จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีท่านจะเรียกว่าให้เทคนิคิตให้เกิดเป็ น, ปนโอกาสที่นมา เวลาวลาอยู่ดีกินดีผุ ส, สบายแล้วน่าจะไม่ค่อยสนใจกับการแก้ปัญหาทางด้านจิตใจเพราะมันไม่มีปัญหาจะแก้เพราะจิตใจตอนนั้นมันได้ได้รุ่มร้อนมันไม่ได้เที่ยงย้อ น, อนปัญญาจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีความทุกนี่คือหลักของการหาหาจริยธรรมาที่ของนักบวช เกิดการออกดึงถือเป็นหลักของาตโยมก็ให้ให้นนละเว้ น, นวจากอาชีพ ท, ที่เหยียดเยียดที่อื่นหรือที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับผู้อืถ้าสังคมไทยไม่มีการเสด็จเวลายามเหลานี้ที่ว่าปัญหาต่างๆนอย น, น้อยองไปงมากปัญหาทครอบครัวปัญหาทางชุบตีทนร้ากัน แม่ ก, กังก็จะมีน้อยลงไป ก, การหาสุขภาพกาจะมีน้อยลงเห็นกันอยู่ชัดๆแต่อำ น, นาจของเกลยวมันก็อะไรมันก็ต่อได้พยายามออกกฎหมายออกมาก็ยังออกไม่ได้เพราะผลประโยชน์มันเยอะยิ่งๆมันต้องการผลประโยชน์จากการค้าสิ่งเหล่านี้ค่าคือายามา ไม่คิดถึงความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับคนในสังคมนี่เป็นตัวหนึ่งของของมรรคแต่สัมมาอาชีว์อาชีสัมม า, าชีนี้ขั้นต่อไปก็สัมมาวายโมความภาคเพียรชอบการสอนให้เพียรอยู่ในสี่สถาน เพียรสร้างความดีที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่มีอยู่แล้วให้คงไว้เพียรกําจัดความไม่ดีให้หมดไปเพียรป้งองกันไม่ให้ความไม่ดีที่ได้กําจัดไปแล้วพื้นกลับขึนมาอีกอความดีก็แค่ภาวนาเรียความดีการทํำดีให้ความความเจียสละ ช่วเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นถ้าเราเคยทําอะไรก็พยายามทําต่อไปถ้ายังทําไม่เต็มที่ก็ทำให้มาก ข, ขึ้นไปนี่ เ, เป็นเป็นการเพียนสร้างความดีที่ไม่มีให้เกิดขึ้นแลเพียนรักษาความดีที่มีที่มีมแล้วให้คงไว้ส่วนทางชัวง่วก็โลกกรหลง เลือกการละขับตาชีวิตนักทรัพย์พต้องูดผิดเจเวนพูดโกรนมัทเธอเสพตัวยาเมาและอาบายมุขต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เกิดชินไม่เกิด ป, ประโยชน์มีแต่จะเกิดโทษจากจิตใจก็ต้องพยายามละในกำจัดในส่วนไหนที่เราทําจัดได้แล้วถ้าเราเคยเสพลัวถ้วเราเลอกเสพได้แล้วก็อย่าหวนกลับไปดเลย ถ้าเราเลือกซื้อของนะท้่งเกลืแล้วก็อย่ากลับไปซื้อมาอีกจะซื้ออะไรก็อขอให้ใช่เหตุใช่ผลตลอดถ้ามีความจำเป็นก็ซื้อมันถ้าไม่มีความจําเป็นก็อยา่าไปซื้อมันมานี่คืความเพียรในสี่ประทางคือว่าสัมมาวายาโมขั้นต่อไปก็คือสัมมาสติมีการให้มือตะเกะที่สือ สติที่สูงก็คือให้มีสติในสถานสี่ตั้งยึดคือในกายวิภานาจิตธรรมให้ม่ให้เฝ้าดูกายดูวิภาวนาดูจิตดูธรรมคืออย่าให้ไปดูอย่างอื่ให้ให้อยู่ในสถานสี่อย่าไปดูรูปเสียงจิตรถสัตว์จอโทรทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ เพราะเหตุนั้นไม่ได้ทำให้จิตใจสงบอย่จะทำให้จิตใจเกิดความทุ้งท่านเกิดความคล้ายเกิดความอยากเวลาเราเปิดดูนะคือเห็นนึกเกิดดูทศร์แล้วมีโคตรนาเข้าไปมาล่อมามาแ ย, ทย่ทีของเรานั้นเบ็ดที่ติดเยอเือ น, นเหเหยือที่ติดมีควายเบ็ พอเราไปง่ามมันปับเราก็จะถึแบบนี้เกี่ยวพอไปซื้อสิ่งที่ก็โฆษณาเมืที่ยังไม่มีเงินซื้อด้วยบัตรเครดิตอ น, นี้ก็จะมีความทุกข์ทางานจิตใจที่จะต้องหาเงินมาให้ดึงให้มีความสุขความสุขที่ได้จากสิ่งที่เราซื้อมาไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ตามมาเพื่ออดใจไว้ดีกว่า ถ้ยายังไม่มีเงินพอก็อยากเพิ่เงินขึ้นมาถึงแม้มีงินพอถ้ามันไม่ยังไม่ค่อยเป็นเต็ที่จะทาให้จิตใจของเราสงบเงี่ยนเป็นสุก็อยากไปเพิ่มงนมอัมมนนี้ขั้ตอนนี้ก็อยากจะได้ความร่นเงเป็นสุก็ลอยจกากเลยวายสบาจารย์อย่างนี้จะทำให้เรามีความสุขมีความอืน่น นี่คือการสติเราต้องมีอยู่ในในกายกายก็คือเวลาที่เราทําอะไรก็ให้เรามีสติอยู่กับกายเพื่อจะได้ดึงใจไว้ไม่ให้เพ่นพ่านไปไกลเพราะนอกจากจาการจะใจสติแนละ้วเรายังต้องทําสมาธิตามลาดับต่อไปจะทําให้จิตสงบได้ง่ายก็ต่อเมื่อจิตอยู่ใกล้ตัวหยุดไม่ได้ไปกุ้งชาติกับเรื่องต่างๆ แต่ถ้าเราไม่มีสติปล่อยให้จิตคิดไปเรื่อยๆมันก็จะคิดไปเรื่องทั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิเรื่องที่มีความผูกพัน ม, มากก็จะทํำให้คิดมากแล้วถ้าเป็นปัญหาก็จะยิ่งทาให้คลุ้งซ่านมากไม่รู้จักก็คือแก้ปัญหานั้นยิ่งคุงซ่านามีเมียก็ค่ายกครัวเพราะจิตไม่มีสติปล่อยให้คิดไปตามปัญหาต่างๆ แล้วก็พยายามแก้ปัญหาโดยไม่ถือที่ถือก็เลยมีข่าทตางอยู่เยๆนี่ก็คือตัวอย่างของการไม่มีสติถ้ามีสติแล้วเราจะรู้ว่าขณะนี้เราอยู่ที่ไหนร่างกายเรากําลังทําอะไรอยูเราเข้าร่างกายนี้เป็นเหมือนกับนักโทษสติเป็นเหมือนกับยามเวลานักโทษจะเข้าน้ําก็ต้องเข้าไปห้องน้ํากับนักโทษเลย ไม่ใชยอยู่ข้างนอกบางคนเข้าห้องน้ําแล้วแต่ไปนึกถึงเรื่องต่างการข้านอกต้องเหมือนกับยามไม่ได้เข้าห้องน้ำตัวนี้ขอให้นักโทษคือจิตนึงก็คิดเรื่องนั้นเรืนีน้ก็ได้อยู่ที่กายแล้วก็นึกอยู่ที่เวทนาก็ให้รู้ว่ามีเวทนาอย่างไรในขณะนี้เกิดเวทนาทุกเวทนาหรือไม่เกิดไม่ทุกเวทนา แลวิถ้าจะเลยปัญญาตามไปด้วยว่าเมตนาต่างๆนั้นไม่เพียงเราไม่ต้องเป็นปัญญาอะไรจากเขาเราปล่อยให้เขาเป็นปัญาอะไรจากเขเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไปเป็นนาหงนั้นเ๋ยวะสุดเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกขต่างๆถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะทำใจให้เป็นเด็กชายได้ ก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเช่นเดียวกับร่างกายน่างกายเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ว่ามันเป็นธรรมดามียาจะรักษาไปกินไปหายก็หายไม่หายก็ตายเพราะมันความตายก็เป็นส่วนของร่างกายเหมือนกันถ้าเรามีปัญญาพิจารณาแบบนี้ควบคู่ไปกับการมีสติอยู่กับกายอยู่กับเวทนาใจของเราก็จะไม่คุ้มสร้างจะไม่วุ่นวาย จะปล่อยวางจะไปยู่โดยขาได้หรือกับจิตก็คืออารมณ์ต่างๆที่มีในจิตของเราอารมณ์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โลกเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเวาสัมผัสอะไรคิดถึงเรื่องอะไรขึ้นมาคิดถึงเรื่องดีก็ดีอกดีใจพอคิดถึงเรื่องไม่ดีก็เกิดคทางเศร้าๆเหงาๆเกิดความทุกข์เกิดความหมอดตัวก็ดูไป แล้วก็กำหนดด้วยปัญญาว่ามันก็เปลี่ยนไปเปลีนน่ยนมาอย่างถ้าเราปล่อยให้มันคิดมันก็จะคิดอย่างนี้แล้วก็จะมีคล น, นี้ตามมาถ้าเราไม่อยากจะให้มีผลอย่างนี้ตามมาเราก็คุดแต่คำว่าคุดโธุ่ดโธอย่างเดียวจิตก็จะว่างจากอารมณ์ต่างๆกําหนดดีลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่ไปคิดเอะไ ร, รโดยการคุดโธ่เนืส่วนลงไปไม่ให้คิดเรื่องอะไร จิตก็จะไม่มีอารมณ์ขุ่นโม่จิตก็จะผ่อนคลามีความสงบสมีความเย็นมีคือการเจริญสติเรียกนักสัมมาสติส่วนธรรมก็คือให้เราพิจารณาธรรมต่างๆให้พิจารณาฐานห้านี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญมีสติอยู่ในธรรมพิจารณามรรแต่อย่างนี้กํกกาลงังฟังเทศน์ธรรมาอะไย่า ง, ง, ง, าง เ, เรื่องมรรแต่ในขณะนี้ก็ถือว่ามีสติอยู่กับธรรม การทำธทรมนี้ก็เป็นการเจริญจิตให้มีอยู่กับธรรมคือทังจิตเราอยู่กับธรรมเพราะธรรมมีคุณมีประโยชน์จิตใจไม่มีโทษมีแต่จะส่งเสริมมีแต่จะช่วยให้จิตใจเราพัฒนาสูงขึ้นให้มีความสงบความอิ่มเอิใจมากขึ้นแทนที่เราเราเลกถึงธรรมะได้มากมากเท่าหมื้กับเราได้เงินได้ความามากมากเท่าทำให้เราอยู่ใต้ความอ้ดมข้อไปเรื่อยๆ ถ้าเราได้พบกับปรมาสุกังได้เท่ากับเรื่อยๆถ้าเราสร้างสติอยู่ในธรรมะที่เวลาแต่นั้งอยู่เรืยๆนี่ก็คือการสร้างสติเรียกว่าสัมมาสติถ้าไปอยู่ในสถานที่อื่นถือว่าไม่แค่เป็นสัมมะสติที่ตลาดผู้อยู่นี้ไปอยู่ที่ตัวเลขในธนาคาร นี่มันไม่ได้สัมมาสติมันจะสร้างามเพียรถึงล่ะพอดอกเกกกบี้ยตกใจก็วูบตามดอกพอดอกขึ้นระดีดีใจที่เราจะเอาเองินไปใช้ทนานี้ก็เป็นเรื่องของเกลเอะไม่ได้ทำให้จิตสงบมีแต่ทาให้จิตต้องทํางานมากขึ้นไปนเรืนี้แต่ถ้าอยู่กับกายเวทนาจิตความแล้วจิตจะสงบจิตจะตั้งมั่น ก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็มีอยู่สองสมมาสมาธิกับนิพพาสมาธิสมมาสมาธิก็คือการทำจิตให้สงบเงียบเรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลุนเรียนเป็นหนึ่งมี อ, งนนงนนงอุดมฐานมีความสุขมีความเย็นมีนความอื่นมีนความพอไม่ออกไปรับรู้ด้วยธรรมๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตก็ดีเรื่องในอาณาเขก็ดีหรือเรื่องของใครคดีเพราะสมาธิของจิตบางดวงในเวลาสงบ้ ว, วไม่อยู่กับที่จะถอนออกมานิดหน่อยให้ถอยออกมาหน่อยแล้วก็ออกไปรู้เรื่องต่างต่างบาํานนัดน้ำลึกชาติก็จะไปน้ำลึกชาติคนมีตาทึบมันจะไปเห็นทั่ว ก, กายคิดไปเจอทั่ว ก, กายคิด ่คนมีฤทธิ์มีเดชตามจิตตามใจของคนนั้นคนนี้บ้านก็จะไปในทางนั้นถ้ามุ่งไปในทางนั้นก็จะไม่ไปถึมมมงมรรคผลที่ผาเพราะสมาธินี้ถือว่าอยู่ในท่านโลคิยะธรรมหรือไม่จะได้ฌานแต่ก็ยังถือว่าเป็นโลคิยะธรรมไม่ทําให้จิตตกเป็นร่างโยกสมาธิท่าอาจารย์สองลูปของพระพุทธเจ้าก็ทรงบรรลุฌาน แต่เมื่อตายไปก็ได้ไปแค่อยู่สวรรค์ชั้นขุนมแล้วก็จะต้องเสื่อมเมื่อพลังของสมาธิมันหมดไปก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องมาสร้างชีิตประจมีแต่ถ้าได้เข้าสู่ท่านอริยมรรคอริยขุยยักจะไม่เสื่อมลงมาถึงจิตระดับกุฏิช น, นิตาไนถ้าเป็นโสดาบาัญญัติระดับต่ําก็ต้องเป็นโสดาบาันไปตี่แตจะขึ้นอย่างเดียวไม่มีเลย พระสุดาบันก็ไม่เกินเจ็ดชาพระเรษฐีดาวทานีก็เพียงชาเดียวในการที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พระอนาคานีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บรรลุในสวรรค์ชั้นขุมโลกคพระอารหันต์ก็สึ่งสุดในการยืนยันตายเ่ียงในพวกนี้ในพระนี้ได้เลยก็ต้องมีสัมมาสมาธิคือจิตตั้งสงบเพราะการจะเจริญปัญญาเจริญยิ่ปัญนานี้จิตจะต้องมีความหนักแน่น มามมั่นคงมีความสงบมีความเย็ น, ม, ม, น, ม, ม, นมีความอิงถึงจะสามารถเจริญวิปัสสนาใจรักได้ถ้าไม่ใช่นั้นแล้จิตจะเสื่อมหัวจะพัลลงไปตามถึงแม้จะอยู่ในอีู่ในสมาธิแบบที่ไปรู้ไปเห็นอะไรก็ตามเวลาออกจากสมาธินั้นจิตจะไม่มีกําลังเหมือนกับคนที่นอนหลับไม่เฉลี่ยตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าเหนื่ยคนที่นอนหลับแล้วฝันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่าเหมือนแต่ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ตอนที่หลับสนิทไม่ฝันอะไรเลยพอตื่นขึ้นมาแล้วจิตจะร่างกายจะสดขึ้นจะดบกบานจิตใจจะเบกบานพร้อม ท, ที่จะไปทําภ า, กการภากิจต่างเพราะจิตทางโลด ก, ก็ทํำไปแต่ถ้าเป็นทางทางธรรมก็ต้องให้จิตรวมสึงไม่หล อยู่ได้งามเท่าไหร่เพืให้อยู่ไปอยา่าอยา่อยาไปดึงมันออกมาในขณะนั้นขณะนั้นไม่ใช่เวลาที่จะเจริญปัญญาปัญญาต้องรอให้จิตออกมาในในในสภาพที่คิดถึงแล้วเมื่อมันจะมีการคิดถึงก็ไม่ปล่อยให้คิดไปเลือกเปื่อเหมือนเมืก่อนไม่ปล่อยให้คิดว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวยที่ไหนดีไปซื้อข้าวของอะไรดีก็จะให้มาพุ่งไปที่ร่างกลายเป็นเป้าแรก ข้อขันห้านมีร่างกายเป็นด่างล่าเป็นเป็นเป็นส่วนหยาบที่สุดในขันห้าลงเลื่อนธนาสัญญาสามๆยืนยาวทั้งเป็นส่วนละเอียดขึ้นไปจีตที่ยังไม่มีปัญญาท่านต่างก็รสามารถที่จะนาส่วนละเอียดได้แล้วต้องพิจารณาร่างกายในวัลลภะต่างๆเช่นไมที่ยงกิแก่เจ็บตาย อนัตตาเป็นเพียงดินงาลมไฟอ ส, สุภะไม่เสืยอมไม่นามมีโครงกระดูกมีอวัยวะอันตราปฏิคูนปตกติในสิ่งปตกติไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาพิจารณาเพื่อคลายความกำหนัดเองดีคลายความยึดติดในร่างกายทุกนาหลังความแล้วต่อไปจะปล่อยวางร่างกายว่ากร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตาย จะรู้สึกเฉยนเห็นไทยก็จะไม่เห็นว่าสวยว่างานว่ยินดีน่ารักครับจิตก็จะจาร่างกายไปจากนั้นก็มาขยับขึ้นสู่ขั้นนามาทําคือพิจารณานิัพานาสองอย่างฐานวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันเกิดจวกังฐานความคิดตัว ควคิดเรื่องนี้ห น, นึ่งวินาทก็เกิดด้วยธรมาติมาวิาทีความฝึกความทุกไม่ฝุกไม่ทุกข์ก็เกิดจากความคิดอยงนี้ตลอดถ้าคิดเรื่อ ง, าา ง, ขขงที่ที่ไม่ดีก็เกิดความทุกข์ถ้าคิดเรื่องที่ทดีดก็กจบความฝุกถ้าคิดเรื่องที่ไม่ไม่ดีไม่ร้ายก็ <tylko S 1> จะไม่มีความไม่มีความทุกขก <riding> <ๆ>็จะเฉยเฉยก็ต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นจากอะไร โดยหลักก็เกิดจากสังขารถ้าเราควบคุมสังขางความคิดกิได้เราก็จะสามารถควบคุมไม่ทำงานที่เกิดจากความคิดเกิดได้เวลาที่เรานั่งแล้วมันเจ็บตัวนี้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาสองสองส่วนทุกข์กายนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วคือแก้ไม่ได้มันนั่ ง, งานานๆเข้ามันก็ต้องเจ็บแต่ที่มันเจ็บกว่า น, นั้นก็คือทุกข์ใจ ที่เกิดจากความคิดตัวของใจที่อยากจะให้ทุกการนั้นหายไปหรืออยากจะหนีจากทุกการนั้นในขณะนั้นจิตก็กะปรุงอย่าเรียวว่าไ ป, าาปาดีกว่าลุกดีกว่าเปลี่ยนวิทยาบทดีกว่านั่งไม่ไหวแล้วทรมานเจ็บปวดการคิดแบบนี้มันคลางคลางความทุกข์ทางจิตใจก็จะมีมากเพ่มขึ้นไแต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้มันคิดเราก็พุโทโธไปทําเดียวมันจะเจ็บที่ร่างกายขนาดนั้นก็ปล่อยนันไป อย่าไปคิดถึงความเจ็บที่ร่างกายให้โดยดโทำพุโทโธพุทโธไปอย่างเดียวเพื่อไม่มีโอกาสที่จะคิดถึงความเจ็บของร่างกายไม่มีโอกาสที่อยากจะให้ความเจ็บนั้นหายไป ต, ตัณหาคือต้นเหตุของความทุกข์ใจก็จะไม่สามารถทํางานได้เมื่อ ไ, ไม่ทํางานทุกก็ไม่มปร า, ากูลขึ้นมาเลจากเพื่อทุกใจไม่ปรากูทุกข์ใจมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ยืนแรงเลยสามารถรับได้ ในเวลาที่เราเพื่อเพลินกับการทำอะไรเรานั่งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลายาวงา น, งานแต่ถ้าเรามีความเพลิดเพลนแ้เราจะไม่รู้สึกเจ็บเลยตึง น, นี้ว่ามันจะเจ็บแต่เรากลับไม่สนใจ เ, เพราะเรามีสิ่งที่เราสนใจมีใจไวอยู่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องความเจ็บขอ ง, งร่างกายแต่เวลานั่งสมาธินี้มันไม่มีอะไรทำมันก็เลยพออะไรเจ็บนี้เจ็บนนขึ้นมามันก็จะผ่าน จะหนีจะเลิกแต่ถ้าเรามีเวลาให้มันทําเช่นเรามีพุทโธ ท, ทําไปเรื่อยๆมันก็จะเอยู่กับพุทโธมันก็จะไม่รู้สึกโกรธหรือเราเราสว่วดมนต์ไปเรื่อยๆเราก็จะไม่รู้สึกโกรธเช่นนั้นแต่มันก็ทําได้ในระดับนี้งพอมากกว่า น, น, นั้นมันก็ก็จะความทุกข์ควาเจ็บทางร้างกายก็จะมีมากจนทําให้ไม่สามารถที่จะพุทโธได้ขั้นนึ่ ถ้าจิตไม่รวมรว ไ, ไปก่อนก็าอาจจะต้องใช้อุบายของปัญญาต้องพิจารณาว่าเวทนาทางร่างกายนี้ถึงแมจะมีมากมีน้อยเป็นไรจิตก็สามารถรับรู้ได้ั้นไม่ต้องไปทำอะไรกับมันก็ได้ความนเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าเราแยากใจออกจากกายออกจากเวทนาให้ได้ว่าเป็นคนเราเห็นกัน กอให้เวทนาแสดงอาการให้เขาไปร่างกายก็ปล่อยให้เขาหน้าไปใจก็เป็นผู่รับรู้ก็เพณีการรับรู้ไปต่างคนต่างทําหน้าที่ของของการนี้กันใจรับรู้เพทนารับรู้รื่องของการเวทนาเขาก็แสดงให้เขาไปเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเวทนากใจก็เป็นร่างกายเป็นอาารสามสิบสองเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรก็เป็นเหมือนกับเก้าอี้เหมือนกับ สิของต่างๆเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรตั้งเขาว่าตรงไหนตรงนั้นไม่ได้ขออยกขักเขาเขาก็ไม่เหมือไม่ว่าอะไรร่ า, างกาก็เหมือนกันมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสินผที่รู้ก็คือใจแล้วก็มีความเหลงก็ามาแยกแยะว่าดีว่าชั่วหน้ายยนดีหน้าหลังดีเราเกิดความหน้าหลังเกิดขึ้นมาก็อยากจะ หีให้คนที่อยากจะให้มันหายไปถ่ามันยังไม่หายไปตามความอยากของใจก็เกิดความทุกข์ทางวานใจขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถระนับความอยากให้มันหายไปได้เระนักกับสภาพาความจริงอ้าจะเป็นก็เป็นไปจะไี่ก็ไม่ไปจะอยู่ทู่กันไปอย่างนี้ก็ อ, อยู่กันไปหรือเราจะใช้วิธีอะไรย้อนสอนก็คือ ใครเกลียดมันก็หาหนักมันดีชอบเกทนะชอบทุกเวทนาชอบความเจ็เบียดมากเหมือนพวกพี่เขาชอบกันพวกตาดิบเขาก็ชอบความเจ็บัวดพอชอบอะได้นะมันก็ไม่เจ็บคนเขาเอาพขาเอาเอาของแหลมขึ้นเข้าไปในลิ้นขึ้นกระจายในปุงแก้มเขาก็มันรู้สึกเจ็บมาก็เหมือนกับฉีดยาฉีดยาเข็งว่าฉีดเข้าไปไในในร่างกายองเร ถ้าเราพร้อมที่จะรับมันก็ไม่จิดมากมายต่างกลยแต่ถ้าคนบางคนเช่นเด็กบางคนนี่ไม่ยอมลเลยพอจะจิตงานนี่ร้องไห้ขึ้นลงตอนนี้ไม่สามารถจะจิตได้แล้วจิตปฏิเสธจิตไม่ยอมรับแต่ควา ม, ม, ามาทุกข์ต่งางๆใจนั่งที่เกิดการการพิจารณาหรือการต่อสู้กับทุกข์ด้วยกนหรือปัญญ้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกของเวทนานทั้งสานี้ เราห น, น, นีน้นก็ตาไม่ทันเราอยากไปเลือกเอาแต่เฉพาะสุดแมกนาอะไรเเพราะนี่ปัญหาของโลกทกวันนี้ก็เพราะเราเลือกสุดแมกนากันเราก็คอยวิ่งหนีความทุกข์เลือกทำงานกันเราก็ต้องสร้างสิ่งต่างๆมาดับทุกข์เนือกทำงานกันสร้างเครื่องไฟฟ้าเครื่องความไฟฟ้าสร้างพลังยุวิญญาสร้างเครื่องประบอากาศนี่ก็เพื่อมาที่จะมาดับ ทุกขก์เป็นทัณหาความกายพยงนั้เองแต่ถ้ารับปฏิบัติตามพระท่านท่นทนานก็อยู่ดาตามมืตามเกิดทุกข์ก็รับรู้ว่าเป็นทุกข์ทุกข์ได้เดี๋ยมันก็หายได้มันร้อนได้เดีวมันก็เย็นได้มันก็สลับผลขุนไปตามเหตุตามปัมจจัยของโลกเขาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดใจตกสบายแล้วความทุกข์ทางกายก็เลยไม่หนักหนาตา เหมือนกับวกที่พยายามหนีความทุกข์ทั้งที่มีห้องแอร์อยู่มันก็ไปทุกข์กับเรื่องอื่นแทนเขาไปคิด เ, เรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อไม่ได้แังใจอยากก็ทุกข์ขึ้นมาทั้งๆที่อยู่ในห้องแสงจะเย็นแสงจะหนาวแต่าจกับรุ่มร้อนเพแก้ความร้อนจุดที่ไปแก้ทางกายทําำน้อยที่มันแสนสาหัสเนี่ยไม่ได้อยู่ทางกายไม่นอยู่ทางใจ พระพุท ธ, พพทธจ้าสอนให้เร า, าแก้ทางใจดับความน้อทางใจได้โดยชึ่นเชิงได้โดยหมดชึ่นด้วยกัญญาด้วยสมาธิทำอมาสมาธิควรจะเข้าใจแล้วนะว่าต้องเป็ต้อ ง, ง, งนิ่งเอย่าอย่าไปนับยื้อเรื่องราวต่างๆถ้ามันออกไปต้องเด้งมันกลับเข้ามาถ้าเราเข้าไปได้ด้วยพุโทโธเราก็เด้งกลับมาด้วยพุโทโธร ถ้าเราเข้าได้ด้วยลมหายใจก็จะมันกลับมาด้วยลมหายใจมันก็จะกลับเข้ามาถ้าเราไม่ปล่อยไปแล้วจิตเราจะมีความแน่นหนาเหมือนกับผินเมื่อเราพิจารณาอะไรจิตมันก็จะเชื่อฟังจิตมันก็จะเป็นอุปขามันก็จะปล่อยวางได้เดี๋ยวทุกเวทนาหนักนะขนาดไห น, ห น, หนมันก็จะปล่อยวางแล้วไม่เกิดถ้าไม่เกิดความอยากที่จะให้มันหาแล้ว ความทุกข์ที่บุญแงในจิตใจ่งนี้เกิดขึ้นความทุกข์ในทางทางกายนี้เมื่อเปียบขับทางใจแล้วเหมนเหมือ น, นป้ากับหินนี่คือมรรคแต่ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาธรามสังกปความดังดชอบสมมาธรรมโตอันกระทชอบสัมมาวาวาจารานุูิชอบ สัมมาอาชีวสัมมาวายาโมอาชีวเจ้าสัมมาวายาโมความเขียนเจ้าสัมามาสติละสัมมาสติที่ละคือสิ่งเดียวในโลกนี้ที่จะตา่าไอ้สาตัวนี้ได้โลกกดที่เป็นเจ้งงางนายของขับโลกั้างหลัยอยู่ได้พพ้ตัวนี้ตัวเดียวแพ้ธรรมะตัวเดียว อย่างอื่นฝากนี้ไม่ได้เราขอให้เราพยายามเดินาจทางนี้เพราะทางนี้จะพาเราไปถการหลุดพ้นเสาสุดของการเื่อว่ า, ายาปึ้นสแห่ความสุขสงบเรขอยึดถเพยเทา่า เวลาที่ก็ามาถ่านในศาลาเนี่ยห น, นึ่งดึกเเลยต้องเพิ่มแสงเราเพิ่มแสงตับแสงในในภาพภาพมนก็เลยดูให้ภาจะจาไม่มีสีสันอะไรรถธรรมดาข้างหลังมันจะสวะ่างหน้ามันจะมืดเราเลยพยายามเพิ่มแสงให้หน้ามันสว่างพอพอเําเพิ่มแสงมากๆนีาก็เหมือนกับว่ามันอ่อนเมื่องช้าโพล่เลยสีหน้าจะไม่มี แต่ถ้าเวลาถ่ายที่อื่นนันจะตีสักว่เขาไปถ่ายการยินแบบบายแล้วก็าถ่ายการที่ญาติโยมมาทำาุงตักาบาตที่จาลารเนยนจ ะ, ะ ก, ก็ประมาณ5้าสนาทีอันนี้เป็นเขาให้เรืออลิเว่าอันเดียวใช่ไหมครับราอาาแล้วก็ที่ี้ก็คืออาจารยจะให้พี่พ่มาสักเท่าไหร่ดี ก็ญาติมต้องการก็เขาทีดใจสนใจเขาเลยส่วนตนี้เราก็มีคนอื่นก็ทำให้ด้วยพรถ้าจะสนุกคันเยออยากจะทำมาให้ก็ได้เลัอกเตืองแต่จะทำทำไปเถอะมีใครสนใจได้แข่งกันแล้วกันเขาก็ถามปัญหาอยู่สีห้าข้อมีการเดี่ยวกับในโลกสวรรค์เกี่ยวกับการเกี่ยวกับประวัติของตัวนิ้หน่งเกี่ยวกับหน้าที่ของพระ มาบวนมาเพื่อมาทำอะไรพูดภ <c oughs> าษาจีนเรษ่อยๆนไมไม่มีภาษาไทยถ้าฟามภาษาไทยความภาษาฤษนี้เป็นก็จะฟัไม่เร้อเพราะไม่มีภาษาไทยจำกัดให้เราหอ <c oughs> ใครจะไปใส่ตาแฝ ง, ปงไปงใส่ตาแฝงไม่ใช่คนบายถึงมึงมักแปร น, นี่ไม่กินว่า ก็พูดรวมๆก็มายถึงการเป็นพลังศีลมาปัญญามันรวมกันได้เลยก็ลองคิดันมาดูห้ป้อนอยู่ทุกอย่างของมันคาดการคาดนอยู่แล้วนะเจนจะบอกเลยขึ้นแต่ว่ากรรมอย่างเราททุกขณะทุกขณะติดถูกหมคมันจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วทั้งนั้นไม่มันจะเป็นใจวจาใจทนี้ในขณะที่หับอะค่ะ ทำตัวนั้นไม่ได้ทำถ้าเวลาฝันรายก็ถ้าไม่ฝันหลักปถ้าหลักเนหดมันก็ไม่ด้ไม่ได้สั้งเหตุอะไรเพราะว่าการทำามาี่ถือเป็นการทากรรมดีถูกไหมการทำสมาธิเพื่อมาให้คิดอะไรคิดเดพุทโธนก็เป็นทําดีแล้วแล้วยิงถ้าไม่คิดเลยหยุดนิ่ได้ก็ยิงดีเพราะมันได้มันได้เกิด ทำจริงขายจิตได้พบเจอความจิตที่ท้าริงหายจิตถ้าดังนั้นคนที่ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวพอ่อนานแล้วถ้าไม่รู้สึกตัวนี้ท อ, อนานไม่ได้ทำา่อนานได้แต่ว่าจิตในขณะนั้นเนี่อาจจะประกอบกัมไม่ดีก็ได้ก็ ต, ต้องเป็นไปตามวิบากนี่พออยู่ในขั้นที่ไม่รู้สติควบคุมจิตได้จิตม่ได้ทําำงานไปดยและกำลังกําลังของวิบากของความที่ได้ทําไว้อันน้นตัวต น, นั้นําันก็จะเป็นตัวผักตัง S <S ถ้าบุญอะไรบุญมันก็จะถัดไปถ้าบาปอะไรบาปมันก็จะถัดไปตอนนั้นเหมือนเท่ากับเหมือนไปโดยกับออโตโ้พายโหลดได้คือคนขับไม่สามารถไปควบคุมบรรทับเครืค่องไดเครื่องมันจะบรรทับไปงของมันเองตามปโปรแกรมที่ได้โปรแกรแมไว้โปรแกรแมที่เราโปรแกรแมไว้ก็คือบาปนที่เราทำอยู <c oughs> ่ถ้าเช่นถ้าถ้าเราโปรแกรแมไม่ดี อย่างนี้อ่างนี้น้องพอชามท่านก็อยู่ในสภาพที่ไม่ได้ทำอะไรอยแต่เราไม่ทราบว่าในท่านในใจของท่านนั้นท่านท่านอยู่ออโต้ไพลอตหรือเปล่าแต่ถ้าออโต้ไพลอตของท่านก็จะไม่มีปัญหาเลยเพราะท่านท่านไมด้กำจัดให้บาปกรรมทีหลายต้นต้องเห็นของบาปกรรมมันก็จะไม่สร้างบาปสร้างกรรมสร้างความทุกข์ให้กับท่านหรือว่าท่านยังมีสติอยู่ท่านก็สามารถช่วย ดูแลจิตใจของท่านไปได้ในขณะนั้นในขณะที่ร่างกายไม่สามารถทาอะไรได้แต่ถ้าจิตยังมีสติยังรู้สึกตัวยังมีความรู้สึกตัวหรือก็สามารถควบคุมได้เพราะมันเป็นคำส่วนของร่างกายบางบางคนไมื่อสบายแล้วร่างกายทะยุขึ้นไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเขาเขาถึ่ได้หรือเขาไม่รู้สึกถึงเาอยู่ที่ตรงนั้นว่าเขาถวกจะไหลเม่อจิตกับตังนอนหลับ เหมือนกับคนนอนหลับไปหรือเปล่าหรือว่าเขายังมีสติเสถางยังเกิยูแต่เขาไม่สามารถตรริดต่อกับอสารทางร่างกายได้ต้ององาศัยคนที่อ่านจิตใจของคนได้อย่างพระอนุรุทธะนี่ท่านมีความสามารถที่จะอ่านวาระจิของที่อื่นได้ตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังจะนิพพาน ท่านก็พระพุทธเจ้าก็จะเท้าชานตั้งแต่รูปฌานขึ้นไปถึงอรูปฌานแล้วก็กลับลงมาดูจิตกับจิตแล้วกลับขึ้นไปถึงถึงรูปฌานแล้วก็ไม่ผานระหว่างรูปฌานถึงอรูปฌานในขณะนั้นพระรูปอื่นที่นั่งเท้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไม่มีไม่มีความสามารถที่จะตามว่าผิดก็ต้องไปถามพระอริยมุขว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าเป็นยางไงละ เขบอกอ้อนนี้อ่นยุร ก, กระชอยู่ตอีอักระชอยู่ของพระเจ้าที่ผานานพระพทวั่านรมิันนีน้ท่านท่านอ่านติดได้เห็นแมาา่ลีระของพระเจา้าจะเลื่อนไปลดแต่จิตอของพระเจ้าก็ย<ม>ังทำงานอยู่คอนี้และนที่อ่านวาระจาิตของผู้อ่านไก็จะสาวหน้าตาด้ได้ ถ้เาเกิดในระหว่างที่ความเห็นชอบของเรายัางไม่เกิดแล้วยังชีวิตประจำวันนะคะอยากจะขอแนวคิดว่าจะทำยังไงให้เรามีดมันมากขึ้นนะคะท่นต้นก็ต้องฝึกสั่งทให้มากๆไม่ยืนไม่ัามทำให้มากๆเพราะาธรรมะนี้เป็นต้นเหตุต้องเหตุของธรรมะที่ผิดควาเห็นชอบที่มาฟังธรรมวันนี้เราก็ได้ความเห็นชอบใ่หลายอย่างด้วยกัน แต่ปัญหาก็คือฟังหนึ่งเดียวแล้วมันพอเราไปทําเรื่องอื่นเรื่องอื่นมันจะมาเกิดเรื่องที่เราได้ยินเรื่ฟังวันนี้ไปและนอกจากได้ยินไรื่ฟังแล้วเราต้องเอาไปค่ายควรอยู่เรื่อยๆคบทวนอยู่เรื่ อ, อว่าวันนี้ได้ฟังอะไรไปไบ้างถ้าควนใจกระทั่งมันมันมือนก็มันจําได้ขึ้นใจจำมันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึนกนพิธของเราเพราะทำถึงขนาดนี้เพราไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวพอเราไปทําอะไรปั๊บตามหลวงที่มันมีอำนาจอยู่มาก มันจะกลับมาคุมท่านจอกท่านเปียกเหมือนกับจากเนื้อที่มันคุมสระอะไรเวลาเร า, าฟังเทศฟังคำก็เหมือนแตงโมไปหวั่นเพื่อจะตักน้ำขึ้นมาเดือดพอเราพอเราไม่จะไปหวั่นมันกลับจากเนื้อที่มันคุมอยู่บนผิวน้ำอยู่มันก็จะมันก็จะกลับมาคุมติดหมดให้เราต้องพยายามห ว, ม ว, วยยั่นอยู่เรื่อยๆเราต้องพยายามทำละอยู่เรื่อยๆอย่างที่บอกว่าให้เจริญ สติอยู oler, right you, make, ่กับธรรมจะให้พิจารณาธรรมต่างๆในแง่มนต์ต่างๆเท่าที่เราจะสามารถทําได้การฐานะของความเข้ามือความรู้ทางเข้าใจของเราถ้าเราก็หม่นฟังธรรมอยู่เรื่อยๆท่านสอนให้เทววัดอยู่เรื่อยๆกาเลนะธรรมสวรรเอตังมังกาลุตตะมการทำธรรมการการเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต ก็เพราะอาจะได้ทำให้ถึนสมาทิฏิของเองเมื่อมีสมาธิฏฐิแล้วสัมม า, ถถม า, าตง่ า, า, างก็จะตามมาล้การอาหารกุบาอาจารย์กนเป็นส่งที่จาเป็นอย่างนี่เพราะว่าบางทีการ้อานนอาหาองถิ่ของเราบางครแล้วอ่านเยะเราก็ยังบางทีก็ไม่เข้าใจหรือเกิดความเข้าใจผิจดกแต่ถ้าเราเลงไปพรกับผู้รู ตู้รู้จริงเห็นจริงได้ยินได้ฟังแล้วได้ทักเลือกในกรณีที่เราไม่เข้าใจก็จะเกิดความแจ่มแจ้งขึ้นไม่เกิดคาาวามผิดลัดเดือดการการศึกษาทำเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเป็นบทสำคัญเลยหลวงตาท่านเลยพูดว่าระหว่างการได้ยินไํคาคัญกับการปฏิบัติทำการฟังเทื่อการทำนี่ทำสํคาคัญมากกว่า เพราะถ้าไม่ฟังแล้วไปปฏิบัติอะไมันก็หลงทางถ้าหลงทางสู้อยากปฏิบัติไม่ได้หลงทางแล้วยิ่งแก้ยากเนีย่ยคนที่มีวิชาที่ถือมันถือแก้ยากเพราะปฏิบัติของเขาอานี้นเขาคิดว่าเขาปฏิบัติถูกไปไปสอนเขอย่างอื่นก็เขาไม่เอาละเขาชื่อในสิ่งที่เขาทําแต่การปฏิบัติก็จําเป็นคือไม่ใช่ว่าได้ยินได้ฟัง อย่างเดียวนื่องจากว่าเรามีปัญญามีบารมีมากพอที่จะสามารถบรรลุจากการได้เห็นได้ฟังเช่นพระสาวกบางรูปเช่นพระอัญมณ์กนตัญญาพอฟังที่คั้งได้แตกตุกตุจจ่าก็ได้บรรลุเป็นพระอัญมณ์บางบางองค์แค่ฟังเพียงครั้งเดียวก็ได้บรรลเป็นพาาาระอรหันต์เลยแสดงว่าท่านมีอย่างหนึ่งพร้อมอยู่แล้ว มีสมมาสติมีสมาสัมมาทิฏฐแล้วแต่สมาสัมมาทิฏฐิมันยังไม่ครบถ้วนโบยเดิมอาจะมีอยู่90เปอร์เ็นองข10เป็นต์พอเดือกฟังส่วนนี้ขึ้นมาพับก็เข้าใจก็ก็บรรลุได้เลยสมมาทิฏฐก็เป็นเหมือนกับ mm hmm. เหมือนกับการสะสมไปที่เเเนะเา็กทีละน้อยจากจากหนึ่งเ็นไปสู่สิบเปเ็นสู่ห้าสิบสว่าเปเ็น เพราะการการที่จะมีควมสามารถที่จินี้ไม่ได้เกิดจากการฟังอย่างเดียวนอกจากฟังแล้วต้องเอาไปให้วนที่ควรไแล้วเอาไปปฏิบัติด้วยเอาไปที่จิตเมื่อเราทําตามที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วเราเห็นผลมันก็จะเกิดฉันทะริยาเกิดความมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรที่ที่ดีกับเรา แต่ถ้าเราไม่เอาไปพิสูจน์เช่นอาตมามียาพิเศษนะแล้วบอกเอาไปกินให้รัรกษาไปตลอดชีวิตเลยถ้าไม่เอาไปรับประทานก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่าถ้าเอาไปรับประทานแล้วก็จะรู้เองเมื่รู้ว่าเอายืเนี่ยผมผมเห่าตายวันนี้ผมไม่เห่าแล้วหนังเหย่อวันนี้หนังกับคืนกับคืน้ น, นโอ้โหก็จะมีความความยินดีมีความศรัทธา ในธนรมะในสิ่งที่เราได้รับแตนแล้วลทั้งสองส่วนก็มีความเป็นมทั้งการได้ยินได้ฟังและการาํำนำไปไข้ควรที่อิู่เรื่อยๆแล้วก็นำออกไปปฏิบัติอย่าเอาแบบฟังเข้าหูใช้ย่อหูขวาพอออกขขาออาจากสารานี้ไปแล้วก็หายไปหมดเลย ท่านถึต้องท่านต้องสอนอยู่เ่ยสมัยที่อยู่บนลงการตอนนั้นท่านมีกระดามากท่านจะเรียงกลงทกี่ห้าวันกลงพระทุกสี่ห้าวันคู mm ่ hmm. ทีอย่างร้อยลสองชั่วโมงขนพอฟังที่นมันก็เหมือนจได้เหมือนกับปลาได้น้ำมันก็โอ้โหมีกำลังจิตำจกำลังใจคือเมื่อคืนทีกระทา้าได้ทั้งคืนเนะ <c oughs> มื่อเช้าเราเข้า น, นไม่รู้สึกล้าเวรรู้สึกว่า ครูบาอาจารย์นัลทีิทาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอห่างไปสักสองสามวันอ่ะไปนะอรยนะบางท่านหนิงเีงนี่บ่อยๆอ่านี่พวผมไี่ต้องมาเช้าเย็นเล่ยต้องเหนอยไ่างเงี้นยืยก็แดงก็ดงก็แดงกดงก็แดงก็แก็ไดงก็แดงกงก็แดงกงก็แดงก็แดก็แดงก็แดด แต่ที่นี่เพื่จะไม่มีดอกผลพระใช่หครับก็มีก็มีแต่ก็ตอบคาถามบ้างถ้าใครสนใอะไรแต่ว่าเราไม่ได้มาอยู่ในฐานะแบบเป็นครูบาอาจารย์แล้วเขาก็ไม่คิดว่าเราเป็นครูบาอาจารย์เขาเรื่อ <ๆ S 2> งเขาไม่จริงเขาเรืองเาไม่ไดมองว่าเราเป็นครูบาอาจารย์วันนี้เขามาเเขาไม่ต้องผ่าเนเราเพระขาที่มี่ารับเป็นมีกติกาแล้วใางมาเขาก็รับเขาอยู่ ที่ทำที่มามันก็มีล้วแต่ก็ดีเราก็้สบายร่ากายยอย่ยมไม่เป็นเป็นเป็นเหตุให้ได้คำสอนไม่ทำให้เสียได้ทำอะไรไปไ่รับพระแล้วกลับไปพระได้สอนเาเพราะพระเขาจะมุ่งไปหาครูบาอาจารย์ <S 2> <S 2> <S 2> <S 2> แต่มันเป็นมันก็อาจจะเป็นพระเรเป็นวิบากของงาน เดี๋ยวอาจจะเป็นเจตนาของเราแบบอะไรเนาะแต่เป็นเจตนาแต่เนยนะพูดสอนคนทียสองชั่วโมงสองเงนเลนะครับอนต้องสอนแบบบอก สองซ้ำซ้ำซ้กซ้าบบรุ่นนี้ก็มีรุ่นหลายราอสนก็หลายร่อ่างนี้เลื่นสายสมานี่เลยระยะสายนังถือกิดเนียบเท่มีเพราะว่ามันอับไม่ถ่วคนมาใหม่ก็เอาไปฟังแล้วแล้วฟังแล้วถ้าเกิดสงสัยอะไรอยาจะมาปรึกาส่วนตัวไะไรก็ได้ก็ทำได้เราก็ได้สบายแนี้เขาเรียกว่า่านี้กัน เราต้องรู้จับใช้สิ่งให้เกิดประโยชน์นะ<ม>ตอนั้นก่อนไม่มีตั้งแล้วก็หายไปเลยมีเทียรเทื่อ ม, มีแบบผ้าเนินที่ต้องคอยจำแล้วก็มีผ้ารูปอืนมามาช่วยกันจำต่อ<ม>ตอนั้นก่อนพ้าท่านอาศัยการการท่องทศนิพนี้เป็นการปฏิบาาั<ม>ติกันในตัวนั่นเป็นการสืบทอดไปด้วยสืบทอดคำสอนแล้วก็เป็นการ เป็นการทำสมาธิเป็นตัวเป็นการเจริญสติเป็นตัวเพราะเวลาต้องท่องนี่มันไปขึ้นเลือ่อนไม่ได้ไแล้วกว็จิตก็จะเป็นสมาธิทัอแล้วถ้าเข้าใจคำสอนมีไม่ดีก็อาจจะบรรลุได้จระบที่ครูเจ้าสอนแสดงนะเพราะสแสดงเพื่อการหลุดพ้นนั้นแต่มาทีนี้ก็เลยไม่ต้องท่องกัน มันก็ไม่ได้มันก็เสียประโยชน์ไปอย่างคือไม่มีไม่ได้ไม่ไม่ได้เกิดการท่องกันพระในก็เลยไม่ต้องท่องกันก็เลยไม่มีพระในมนุษยธรรมกันมากเท่าไหร่เพรามีสือ่อมีหนังสืออะไรต่างๆแต่ก็ดีสำหรับคนถู้แถลไม่เหนือสามารถทําเป็นสื่ออกมาแล้วก็จำหจจ น, น่ากแจกไปทางสถานที่ ต, ต่างๆใครที่สนใจ่าแล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์ เดี๋ยวนี้มีคนโทรมาหาหรือมาหาแล้วมาติดต่อนักขอนกเสือเยอะนม่ก็เห็นตัวแต่ได้แต่แม่เสยอพอได้เลนนั้นเล่นนี้แล้วอยากจะได้เล่นอื่นคมจดหมายมาหนึ่งไปยังไงเขาไก็มาบางทีก็มาด้วยตัวแล้วไม่เจอก็ฝากฝากข้อความแล้วบางทีก็เสือเป็นน้องบางทีก็ก็ติดต่อไปที่ร้องเพลแล้วติดต่อไปที่สืนอแล้ว ก็คือเพราะการมางอย่างมันมันไม่หมดเวลาใช่ไหมฮะไม่หมกเวลาเพราะว่าเขาต้องหาเวลาที่สุดเท่าตั้งเยอะตั้งนาน แต่ไม่ดูถ้าเข้าใจแล้ว้ี <AP> ่ถ ok yeah ้า <objective> ท <theory> ่านถ้าทานปัญญาพอที่จะเข้าใจมันอก็ไม่เป็นไรเพราะท่านไม่ได้มีติดติดอะไรนะการแสดงไรเงี้นไม่หรอายายานมาได้นะมาได้จริง ไม่ไดยินตาป า, า, ว, าวน่าดีนี้ในเมื่อก่อนเมื่อก่อนกมกามอดสื่อเส<อ>มแต่เีนี้ก็มีส่วนมากจะไปที่ตุลาชนิดอะก็ติมังคุดใหญ่แกง่าใหโดยขั้นตอนกจะติดมังคห่าอาจารย์เต้นท่านจะอบรมพระข น, นาเพราะเช่อ น, นท่านจะไม่มีใครไปรบกวนท่านมากเพราะยังไม่มีที่ว่าง วต่อไปก็มีชื่อในเสือเนาะเวลาที่จะดูแมกข้รารพาตองนะาครต้องจะมั่ถีที่ว่าก็มีนะมีวามรเรื่อยๆก็มีสุขภาพเป็อย่างไรนะแต่ที่ต่ว่าอย่างนีจะเปลี่ยน ไม่จะเห็นไ่ดหสิแต่ว่าท่านพอท่านออสิ้นแล้วอภิษฐรรทเจ้าเราหลวงตาบอกว่าไปดอิมท่านมีประเทอยู่วนท่านี่รามเเพื่อนท่าน่ันีเยเพเทพ่เป็นส่กาเป็นมากานมากแข่งกัาก่าใจะมีกำลัง พูดไปพูดไปอะไรคือไม่หรอกูดไม่ทำจริงพไม่ทำที่มนอยลงมาย่ย่ี้วยลี้วเล้วับไปงกาเลยอจาที่น่าแน่จริงๆขอไม่่ขอด้่ที่ดนีากเนี่ยสของท่านเทพของท่านเนี่ยก็แทนทั้งได้แล้ว ถ้ารำไมันจะยึดติดกับผลิตภร่างกายถ้าไม่ได้ยึดติดกับรอยยิ้มของท่านโอ้แทงใจดำเนี่ยพระเจ้าก็บอกแล้วผูใดท่ทวผู้่าทอเราสบายใจเนื้อธรนี้แหละจะเป็นสัปดาของลูกเธอแทนเราต่อไปธรรของท่านก็จะเป็นสัปดาห์การแทนท่านต่อก็เป็นองค์แทนท่านต่อไป เทธรรมะหรือธรรมะของจักรเนียทนท่านได้นั้นเราไม่เราไม่ได้อยู่ทัจักที่เพื่อนแต่ว่าเราจุกความหลงมาหลอกให้เราคล้อแท้ไม่อยากจะปฏิบัติเวลาที่ทับจากรลไปแล้วเราจะเหมือนกัว่าเราขึ้นเราไม่นที่เพืนถ้านวนถามถามพระเจ้าว่าลังจากที่พระองค์ อย่งก็ไปแล้วใครจะมาเป็นจักพรรแทนเขาจักรพดิสมบูรทำ่งากที่สถาทกแต่ไม่ชอบออแล้วนั่นไงถจะเป็นจัพรรดิของพวกเธอต่าากแต่พวกเราจะไม่อยู่กับประการที่ถ้าพวกเธอมีคำมีมีมมยุ่งยากัใบได้าาออยังมีพรทคำคาสอนในเรื่องนี้ตอนนั้งเราลงรถที่ข้าห่ ก็จะมีคเรียนวิชาการแต่สมัที่อาจตาเรื่องศึกษาให่ก็ไม่ได้เจอครูบาอาจารย์เป็นตัว็ตศึกษาจากหนังสือธรรมะที่ได้มาการเองนี้าอ่านก็สนใจก็เขียนระอเขาถ้ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้เขียรธาอยู่เก็อ่านดูเาสนใจก็เขียนี้ซือมาอยู่มาอ่านแล้วก็มาศกังก็พาเราไปจนได้ จรแว่ามันอาจจะไม่ไม่สะดบวดนเมือกับาจารย์ที่มีบการณ์ที่รู้แล้วภายในสุดนี้ก็จะแก้ให้เราได้เองคือถ้าเราต่างเรื่องสุดนี้เราคิดว่าจจะทำผิว่าว่าจะติดหรืได้ ถระมีพระสาอยู่เรอที่ามไม่ใจันก็าติเอนคืไ่ได้แต่แบคามใจแข็งไม่จได้รเข้ามาเรื่อยๆอ่าแล้วยก็้าสิบปีาพจะสราักิบอนเสร็จแล้วมีาานพจั่าร้รว จำไม่ได้หรอกต้องมีทํลาด้วยจำได้แต่ว่าผู้เรื่องคณะที่่องควาเพียเร่อวินัยออย่างเงี้ยนดมาก็จะเอาวัสาุเองทำมาฟังแล้วก็เพ่่อป็นการีไปเก็อวาอยู่ที่จุดสัที่อยู่ในรถโยสารในขสารเรจแ้ก็เอที่ให้จาย ขนาดได้ได้ศิลป์ก็มีแตตอนหลังทำเครื่องซีนเรามาใส่เป็นสีก็อะไรตอนนี้ตอนนาไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าหาสีตัวหวานหาสีผสมผสานแล้วก็มีเท่คนเทจอกล่ะมีร์ตอะไ่างอื่นตอนนี้เฉพาะขนาก็ก็มีทําะมีที่ตัว โด่การที่อยู่กับท่านเพื่อมันจะได้เข้าวัดปฏิบัติได้รมีมเนอ่างสอาดตำหนามับายแล้วก็ได้กำลังใจพาอยู่และถูางและปฏิบัติแล้วมัน่เสริถ้าอยู่กับคนที่ม่ปฏิบัติมันจะทำให้หับเพราะว่เราปฏิบัติต่ม่อยู่เขาทันี แล้วหัวอช้าเต็เลีให้เ็นข้าวเลยเราบกเราลามันต้องแบบเรียนเรียนเรียนห้องทิงอยูะก็เรียนจะได้กันเพอเดิเินไปได้แต่ถ้าเราไปเกิดในเมตาแล้วเป็นน่าจะเป็นเรื่องคป็นใก็จะเกิดในขนาดต้องเรียในระบบการตกาแที่มีความเช้่อมโยงเชื่อต่อกับอะไราน้เราไม่เียนเราอยากสบายสา ้องไม่ได้เขาเอาสูตรโบราณมาเป็นแบบเก่าเขาจะหาสูตรแบบที่เก่านะบเ่างโลถ้าเป็นทางตานี้นนี้ผจะบรรลุกาาันเรื่อยก็มีเครื่องก็มีการวามีการ จะไม่มีธรรมะก็มีความหลก็เเขาอข้าวเสต่างๆที่ไม่มีประตแต่ประเทศชาเราเชื่อว you know, you know, <uned> ่ามีพระสงฆ์สารมีหลวอปู่บ้านท่านก็เชื่อทอดเราดูเราจะกับธรรมะหลว่านี้ถ้ามีฤาฤ้าอริยส ตอนนี้เราคว่ามันก็เพ right. ิสิทธ <Yeah. S 1> ิ์เป็นไปได้เพิ <mm <way> ่มเดือนเป็นไปได้แล้วก็นโยบายเกาะติวกันเกาะติดกันก็มีการปฏิบัติบ้างเป็นเดือนแค่มาแต่เฉพาะเ้าเรียนจบก็ไม่อยู่กจำบ้างสามวันห้าวันมาก เ็อหยับขึ้นแล้วหรอขึ้นไปแล้วก็จะเป็นอะไรนี่ถามด่านี่มีก็มีกันที่นี่เขาเป็นทางฟ้าอยู่ขนาดรถสุกี้ท่านมาอยู่ก็ยังไม่สามารถขึ้ว่าฝังตัง้มาฐานได้เลยเราก็รู้ว่าเราไม่ไม่ไปไปไปไปไปรีหรอว่าอะไ จะเนนหลักาก็่ยไปทาเรื่องอสารมาเพ่งแตาของเอการที่อยู่เขาก็ไม่สนใจเการที่เหมือนอยู่ขางลมืดอางเงี้ยเขาเช่าวัสดาคตที่อยน่ข้างล่างไม่เป็นตลาดข้างล่างยค เพราว่าเขาเนี่กว่านี่เา่ลเดี๋ยวเขาเจอที่ดด้วยจะมการแา่งขันเข้าไปทดลองแข่งกันเนี้ยครอบครัวทองแข่งกันไม่ใช่เรารม่ใช่ท่ามอ๋อไม่ใช่ นี่เราไทยนี่สินีกระต่ายนี่เราคนไทยใช่ใช่คนไทยชอบทานนี่เป็นสมไพรนะอะไรนะเอออัลชาเยอัลชาเขียวคืออะไรลูกบัํานั่นเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเอาเลยอะไรนะอันนี้ไม่ไม่ ที um ุดมาธิท่านก็จะหลับใชอลมายใจอบมากนะโอ้าหท่านเข้าไปพรมยืนด่ประมาณประมาณนั้นจำไม่ได้ว่นอเลยนนไรื่เรื่อยเรื่องเรื่องไมเ้าตนยันับร่องทองนมาานก็ไปยันดับแล้ เหมือนกันเ่ยก็เหมือนกันก็เหมือนกันขึ้นบอกว่าสายละเดียวเดเดียวจะมาที่นแล้วคานเไม่ก็ชอบสังคมไม่ก็อยากจะเจอใครเท่านั้นอนนี้สายนะไม่ก็อยากจะอยู่กับใครที่เราไม่ก็มีพันธะมีกาลังใจต่อตัว เด็กเขามาหาเราเราก็ต้้งมาหาเขาหาเขาเข้ามาหาเราเหมือนอ่างนี้ท่านก็เห็นลูกราไปเราไปไหนแล้วเราไม่เคยกลับไปนะบวดที่วัดบอแล้วก็ไม่เคยกลับไปไปอยู่วัดจ่าแล้วก็ไม่เคยกลับไปไปอยู่ที่ปทุมธานีอยู่ตัวเลยก็ไม่เคยกลับไปไปร้บไปเลยเราเด็กมั่นใจเราไม่เคยกลับไปเว้นแต่ไปเลยแต่ปีสองหกปีหนู ยี่สิบสี่ปีแล้วอายุมากไปเลยก็าไอะไรนะครับไม่ต้องงอะไรัใคริไม่ถามเลยวันนี้คาถามเมื่อคราวที่แล้วติดท้างเลยพี่ต๋วอ่ะผมจาได้แล้วคำถามอะไรที่อ เรื่องกรรมอ่ะกูเรื่องลูกแม่บริหารบริหารกรรมร้อยดัวนี่ร้อยดัวแล่วล้วก็ต้องมาวัดได้เนี่อมาดูแม่เไม้ทราบเบอรเอชไม่ทาดนดองพูดกันยบอกว่าอยากจอารุ่นกระสท่านเป็นเจะเอารุใหม่อะไรอย่างเง้ยทราก็ไเกิดเพราะว่ามันเป็นเป็นวิบากของเขาเนื่องภาชนะเขาไม่มีภาชนะที่จะรองรับธรรมะ ท้างบไคือข้างกาลรมาประธานแบบมาทเป็นงานของัรรยา้ก็คือแต่มามาเจอกันทนั้นเองมาใช้อยู่บ้านเดียวกันก็รู้สึกว่าคือมีสัางเป็นาระตัดหน่มันช่วยไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็รู้สึกว่าหน้าของพระสารบุตรหรือของพระ วาการากวเขไม่ได้จัดการเลยจัดการมันเป็นมัเชื่อเม่ไนเรื่องของการจาการมนดาราเาใครจะผลมาหนักมากก็จะจบผมจดการวจารเราจะไม้องพูดกันเรไม่ได้างแ้ปล่อยจาลเลยนแล้วก็ดีแล้วไปแต่ถ้าก็จะลุ้นไปตจาก เขดนอนเข้าไปถือององไฟแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้เรเราไม่ได้ครข้นอตอดที่เนใจเขารักสงอยนั้นเขาก็ต้องมาหาสงนั้นแต่ทำใจยากเราตงโยงไปขนาดว่า้เรียนเาะว่าเรามีการหรือเปล่ามีาหรือเปล่าแล้วก็ทำให้คแต่ว่า่ใคร ดูแลรวมกันเลยท่นไมรู้ว่าคนาี้ำกรรมไม่่ายไปต้องตากมคนนี้จะมีอะไรนี่ยท่านเป็นนักจินตายทรานพวกเรานี่มันเป็นนักจินตายเรามอไม่เห็นถึงการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของของกรรมในทีบาแต่ท่านรู้จ้ท่านท่านเห็นอย่างแต่ท่านรู้ว่าพวกเราไม่มีทางที่จะรู้ได้ มันจะต้องเชื่ออย่างเดียวนะนักปฏิบัติใจนะครับเห็นก็ต้องเชื่อว่ามันเป็นอยาง้เขาทีมันก็เห็นอยู่มัเป็นอย่างนี้อยเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมาให้เขาเป็นอย่างนได้ยังไงเขาเป็นต้อยากให้เขาเป็นก้วยมันก็เป็นแบบนี้ได้คนเรานี่ถึงแม้จะมีรูปร่างต่างกันแต่ใจเหมืกันใจเสดใจมนุษย์ใจ ใจผูุนักตายใจนรกใจเดราจฉานใจเทศใจคนใจอริยะนันต่างกันร่างกายอนึ่งกาการสายิ iums, וש, pues, ่งต่อกันแต่คึณจิตคุณธรรมของแต่ละคนนั้นแตกต่างแม้เขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเราไม่อยู่ในแนวเดียวกับเราเราพยายามดึงนายงไงมันก็ไม่มาเหมือนน้ำกับน้ำ ใา่ไ ป, ไปในขวนท่านผสมกันแล้วขย่ามันยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่เรียนเรีนก็ต้องแยกกันงานมันก็วิ่งขาน้ำน้ำมั น, ม, นมันก็วิ่งขาน้ น, น, นคนชอบทำบุญก็จะวิ่งเข้าหาคนทำบุญคนชอบเที่ยวก็จะไปทัพคนชอพเที่ยวมันต้อไปับเหมือนกันแต่ทางคริย า, ยาที่จะสอนที่จะเรีนเขามาก็ดีที่แต่ว่าอยากไปคุกับการทำนีุกาอยากไปหวังผล ถ้าเท่าไรก็ดีตอนไม่ได้ทาที่อย่างนั้นก็การเมืองปัจจุบนจะไม่ยเลย่อย่างที่พี่เหว่าจจกาข่าวที่เราต้องทางของเราคืออยากได้ในสิ่งที่เัาเป็นแต่เรได้เ้ามองม่เห็นไม่คือทำเขงไราเราหลงเราเมืดบอดเร า, เราอบบอคิดว่ามานด้านนี้มีจุดประสงค์ อยากจะได้แล้วก็เอาให้ได้อยากจะให้เขาเป็นให้ได้แต่เขาไม่เป็นี่คือเข้ใจน้องเรอว่าไอ้ก็กลัวว่าถือวลูกคู่กับพ่อแม่ไม่ดีแนละ้วเกยัว่าลูกจะบาปทำเลยในใจของเข า, ข า, ขาคืกลวนะก็ลูกเกย์ยังไงเขาจะทำล่<อ>ะพ่อมันเป็นสาลเปทนิสัะรย เวลาเขาไม่พอใจที่มาเขาก็จะพูดเราก็เฉยๆไว้ก็แล้กันคือส่วนอเราเราก็อยากไปสอนอยาไปในอาฆาตไสยบาปบ เ, เขาเราก็จะเประทาถ้าเราให้อภัยได้จเราก็จะสูงนเร่องเขาเขาจะรู้หรือไ ม, ม่นั่นก็นก็เป็นเรื่องของ ความมืดบอดกับความสว่างก็มันมีมากนะเช่นอ่รางนเองก็มีสงสว่างล้นอดเข้าไปได้เพราะอาจจะเห็นว่ามีแม่ที่ประสเลือดโล ก, โ ล, กลูกเจเลยขนาดหน่อแม่ก็ไม่เคยปว ด, ดแขนวเท้งแม่มีแต่ให้างเดียวไอ้าอาจจะหรือ ว, ว่าเขาจะต้องไปเจอแม่ซก่อนแล้วไปเจอลูกที่เ็วอ่ะ ทุกครัก็อย่างนี้อย่างในกรณีของพี่กย่างนี้พี่เขาก็ไม่ได้เข้ามาทำต็นแถมยัพูดไม่ดีกับม่ชีวิตเขาก็เหมือนจะยิ่งยึดจมเลยพักซ้อนลงไปอีกคือบุญก็ไม่ได้เพิ่มแถมจมก็ทำมากที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้อมันก็วนอยู่ในในในในวงจรของจมของบาปมันก็จะลงไปลงไปแล้วก็ลงไปใช้รมนั้นหมด่อรมนั้นกลับขึ้นมาถ้ายังไม่เปลี่ยน เปลี่ยนิสัยก็จะเหมือนก็จะสร้างกรรมแล้วกลับไปใช้กรรมกรรมนั้นอีกเพืนก่นจะทิ้งเพ็่อนก่อนจะจ ะ, จะได้จิดถักเถะนะถ้าได้จิดผักเถแล้วบอกว่าสิ่งที่เราทามานี่มันไม่ดีเลยนรือว่าเห็นคนเดิที่ก็ทําดีแล้วเขาน่าน้าเขาเยี่ยงใจน่าเอาเยื่ยงอย่างก็อาจะจะเปลี่ยนได้เพืนไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ละ คางคนดีมาแล้มามามาเสียทีหลังก็ไดะคนดีตอนต้นแล้วเอ้เสียตอนต้นแต่ก็ดีตอายบางคนก็ดีไปตลอดบางคนงก็เสียไปตลอดมีหลายรูป <c oughs> แบบต่น ท, ที่เออด็ น, อน้องเกๆ้าก็มีทงแล้วก็คือก็ น, นักหักี่แต้องมีเบี่นดแบบนี้มันยัทำให้เราทุกคน คุนมิจฉาทิฏฐิเขาไม่ใช่ลูกเรากป็นเทพสมุทรเป็นลูกพรวัประมาณวิจิตร์แล้วลูกชายก็เรียเรียกว่าพ่อกับแม่เข้าวไม่มีการเด่นางในวันนึงค่ะที่มิาทิฏฐิได้มาัดกรราไดมาปฏิบัติรแล้วก็จะเห็น้นความเปลี่ยนแปลงการวัชิระจัมบาค่ะ จะต้องลูลกลูก็ัยยังแล้วก็พ่อแม่เปลี่ยนกัฉะนั้นนีบอกว่าบางครั้งมันไม่ต้<ช>องรักกเราเรป็ น, ป<ช>นปาการเปลีป่ยแปลงาะเราเปลี่ยแปรูปแบบางให้ประกรนันใน<ช><า>เวลาคือเวลาเมืาเมืนอพ่ข้ามารมาณสามเอนเราจะรันแต่<ช>ลูกจะต้องมีแค่หนึ่่สิบต่อปีก็ฉะ น, <ช> <ๆ S 2> นั้นก็ต้องให้โอาสยาวใลูกบ <ๆ S 2> ้างนะถ้าทาเราทำเราต้องปฏิบัติเพราะลูกเห็นว่คุณแม่ที่แท้เปลี่ยนแปลงจาดที่น แตอนนี้ตัวนี้พอวัดมาด่วนแล้วมันมะสอนด้วยนสนไม่ว่าจะไม่ไม่พอต้องสอนด้วยการปกครองหมือน้าปู่สอนลูกปู่ถ้าลูกเดินตรงๆแต่โตหน้าก็เดินหน้าก็จะโมโหโถสือเวลาถ้าลูกทำอะไรไม่ได้ดังใจก็โกรธลูกเพราะันลูกคงต้อนสำาั ส่วนในมันจะอยู่ที่การสั่งคอนเขาว่าเราสั่งสอนไม่ยถือวิจิตรกาที่จะทำให้นก็เกิดจักธาวจากการเชื่อจาอกคำใของต่อต้านเพราะผู้แสดงในขั้นญาติที่น้องศรัทธาท่านมากปฏิบัติการท่านเลยแม้เรี้ยงก็อยากจะออ ก, กอดเยดูกอดเลย ก็อเจะบรรลุธรรมะถ้าก็ดพาะสานีก็ได้บรรลุธรรมะเพราะเมื่อมีศรัทธาเราจะเชื่อฟังจะปฏิบัติตามในผลที่ปรากฏขึ้นมามันเป็นเป็นเครื่องยืนยันในทางเชื่อในทางดีงามของผู้สอนในผลที่เราได้จากนีงเราเป็นไงเขาดังว่า นี่แหะจะเป็นงานของการสอนของเราเมื <Chill ican mantra> ่อกี้ต้อง้อนกับมาดูตัวเรามาไปดูตัวเรานีเริ่มดูตัวเราว่าเราสอนก็เหนื่ออนตัวเองยากแลยครับสอนก็เหนื่ยไม่ง่ายเลยตัวเราเรายังสอนไม่ได้แล้วเราเป็นสอนเองได้ยางไง หลงตาเวลามีพระที่จะไปเผยแผ่ไปส่งผู้ปัการประกาศลา่าน้อบอกสอตัวเองก่ออยาไอนคนอื่นอนตัวเองให้ได้ก่อนแล้วาสนคนน <c oughs> สนเราดีที่สุดเราได้ประโยชนเป็นที่เลอนตนเอง เขาก็ได้ไปอยูแต่เราไม่ได้เราถ้าเขาได้นะถ้าเขาทำได้เขาก็ได้ไปแต่เราก็เหมือนเดิมเราไม่ได้เราสอนเราให้เราได้ไปอ่มึงสอนให้เราหลุดพ้นสอนให้เราหลุดพ้นหน้าทีนที้เราจะทําอะไรจะช่วยใครมากนักเป็นไรเราก็ไม่ขัดเองถ้าเราได้เสร็จงานของเราแล้วงานที่จำเป็นเราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว พเราม า, าเรายางทำเสร็จบ้างมัวแต่จะทงานให้ทักคนหนงจะเสียเวลาทีที่ร่างกายของเราจะจะน้อยลงไปเรืยๆําลังวางชาจะน้อยลงไปเรืนอกจากที่จะปฏิบัติให้ตัวเองได้หลุดพ้นมันก็จะยากขึ้นกปเรื่อยๆนั้นิิและที่ต้องทำก็คือสอน ต, ตัวเราเองครัปฏิบัติตัวเราให้หลุครับ แล้ว อ, อชื่อพระพทจาม่ไปสั่งสองเนเาอานัพระองค์แมตกร้ตอนนี้ก็ยังตัดานาพกกยังใถ่อ น, นั น, นยังไม่เทีจาร่เพาะะสอนได้อย่างมากก็แค่ท่านท่านานเเขาพจาตนั้นก็ได้แล้วตาที่บงเพอยู่ตนนทางนี้ท่านก็ได้ฌา น, นแต่ท่านไม่ได้ยึนท่านไม่เห็นใจลัก ผมอ น, นิจจังเห็นทุกขังแต่ไม่เห็นอนะัตตอนัตตานี่เป็นตัวที่เห็นยากที่สุดแต่โลกทุกตัวในโลกนี้เชื่อดาวไม่เห็น <c oughs> เลยเห็นอนัตตาเท่นั้น <c oughs> เนห็นว่าชี่คือตัวเราของเราเ <c oughs> มือ่อมี ใ, ใจรสอนต้องต้องคิดเองเ ด, ดียวถนัดหน่อยเหมือนกับคนที่คิดว่าโลกนี้มันไม่แดง คนส่วนใหญ่จะร้าก่อนแล้วที่เขาโลกแดงเ น, นี่พวกอัาชญะพวกคนที่ฉลาดก็จะเป็นเขาจะมองเห็นในส่วนที่คนทั่วไปมองไม่เห็ น, นแต่อาชญาทางธรรมนี้สําคัญกว่าอาชญะทางโลกก็จะเป็นเป็นท่าของกิเหลวเป็นท่าของความหลงถึงแม้จะเห็นความจริงของของโลกประธาเห็นความจริงของโลก แต่ก็ยังถูกคือหลอกเอามาใช้เอามาให้หลงให้มายึดให้มาติดให้มาทำร้ายกันเป็นผลิตอาวุธต่างๆก็ก็มาเพื่อมาทำร้ายแต่ถ้าเป็นอักชริยธรรมทางนี้ก็จะปลดปลื้อมตอนเองให้หลดค้นจากความเจ็บแล้ก็เช่วเหลือผู้อื่นให้ได้หลุดพ้นจา เงนทั้งคุณของพระพุทธเจ้าไม่ถึงถึง น, นักนักประมาณไม่ได้แล้ววาสนาของเราที่ได้มาเจอขพรพุทธเจ้าก็นับประมาณไม่ได้ไดเหมนไมาเอจอแท่จนับประมาณการได้ปฏิบัติก็มีคุณนับประมาณไม่ได้เหมือนกันที่เราจะฉกฉวยเอามาให้เป็นของเราหรือไม่ เรื่งเสียดายกับความคิดเ้อะมาน้อยต้องตีกายน่นน า, นนานจะตัดได้เลยยะวันครั้งนี้ติดได้แล้วใส่ขขปลั๊กออกอไปขายได้แล้วก็ดูครูบาอาจารย์ตัวเป็นตัวอย่างถ้ามีอะไรถ้ า, ม ไ, ถามไม่มีอะไรเราก็ต้องไม่มีอย่างนั้น ท่านก็คงนเราก็คงเนท่านท่านอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ให้เราทอมานมากมากเลไม่มีทไม่ตาไม่มีแอไม่ตาไม่มีที่อยางน้ำร้นไม่ตามมีผู้หนาหานอก็ไม่ตายนอนุมเต๋อเน ทำดูแลเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ไอ้สิ่งเหล่านี้แหะมันเป็นตัวถูกละเนี่เหนี่ยวร่างเราไม่ให้ได้สิงที่ดีจรเลยพเที่ต้องเรเจ้าละพระรยเาเไรด้ได้ได้รับได้มีเพราะเราต้องได้ทั้งสองอย่างไปได้างอ่างของตรงกข้ามอยากจะได้อย่างนี้ก็ต้องัดอย่างนี้ไปอยากจะได้ ควาส ม, มาสว่า ง, างก็ต้องตัดไปไม่ตัเราได้ความสุขทางธรรมก็ต้องตัความสุขาง้นไปมีคนก็ทากันได้เอาทำไมจะทำอย่อางรล่คิดให้ดีนะเพราะว่าถ้าดห น, น้าไม้จะได้กลับมเาเจออย่ น, อยนี้ไมไต่ตตงางเทั้งปัญหาเจอทั้งานี้มันเป็นมนุษย์งมันไม่ใช่เจอเป็นของที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆกัน เพ่มข้าว้เรายังไม่นั่นใจล้าก็เหมือนจะมาีได้อไร่าลอง <laughs> ทำดู <S <s <us> <S เถลเเทำได้ไม่ทมต้องทำแบบต่างถาดไปเลยขอทำสักเดือนนึงหรือข้าคพรรษานี่สามเดือนขอลองทำดูปิดทีวีปิดแอร์ปิดทุกอย่างถือสินแต่โดืละสามเดือนดูที่ทำรู้ว่าจะทำได้ <S <s <us> <S ไมล้วเนี <S <s <us> <S เ<อ>่ยก็เพิ้ได้ <us> ในตอนนี้ถ้าอย่างนั้นสามเดือนแค่ทิ้งละวนัน <offended> ก็พอ่ันท้าว็ะถึงแปถ้าไม่เฉลวยววันท้าวจะเอาวันไหนก็ได้ที่สะดวกวที่ไม่ติดงางเลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วก็เอาวันนั้นทันีตอนนี้คนเข้าโทรมาถามว่าคือถึงแปดมีภาษาสุทธิพูดยังไงก็ว่าเขามีเขาถืสถึงแปแล้วเขามีคนเชิญเขาไปงานเรี้ยงอาจากที่บา ชาบิหนึ่งชาตว่าใช้ภาษาใช้คำว่าอะไรก็อบอกเข้าไปนี่คนที่เขาอยากจะปฏิบัติถึงขึ้นคนที่ก็มีฐานะถึมีตำแหน่งถึงก็มีเยอะที่เขาจะเพีงแต่ว่าเขาไม่ไม่ประกาศให้คนอื่นรู้ทล้งพยายามทาปฏิบัติเงี้ยเ้ยเพรงทีเขเหลือรู้แล้วบางีมันก็ยุ่งยากเหมือนกัน อันทีก็มีมามาผจนให้ผจนเยอรู้เราไม่กินเหล้ามันก็จะเอาเหล้ามาร่อนาาเวา็นแทงมาให้หรไอ้วลากินี้ัไม่ให้มาหรอกคนรู้ว่าให้มาต้องกินแน่ๆถวายของมนไม่ถวายอะไรเอาี่มก็หวานไปแล้ว แต่เขาไม่ได้หรอกนะ้ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวกอเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ดีใจแค่มีามคนแมาเมกาไม่ามาอยู่นานหนึ่งงานของสดีบอกว่าจะมาก็เลยมีโอกาสไคุ้นทนแทุคนแ้ไม่ได้เจอใครเยเมือสนอ อเก็มาฟังท่านอยา้กสลไชมทางที่เดีวกนตอนนี้ถึงถึงแต่เือ้วยพยายามพยายามโกณสมควรเจ้าของโรงพิมพฝากหอาไว้คุณแม่เขารออยู่ในรถฝากปัจเจไว้สองทันยามม่ ที่ไหนได้รอราบ่น้เหรอท่ก็เพราะว่าอาจจะเป็าะเรามีสารกิจัดมามันเริด้อกก็ต้องหาเวลาทำให้มันเพ่มขึ้นตัดมาทำโหน้อยงแต่เรีจะจำเป็นตัดเหมืนกันได้ไหมามหายไม่เป็นไรเขาชอบภายในดีกวบาถึาคถ้าภายในถ้ามีความมิ่นพอทช้แล้วก็อย่าไปเลิกกัน เอาเวลามาครับดีมากัถ้าได้ไปอกมามันก็ ต, ต้องเอาเวลา่จะเสียเวลาอยู่เสียเวลาทั้งหาเสียวลาทั้งช้าต่เราไม่เสียเวลากับการหาแล้วก็ไม่ได้เสียเวลากับการช้เราก็จะเวลามากขึ้นแม่ลูกมือแม่กูตู้อกูมือเตี้ย มีอะไรเสียวแม่งดเอาข้าวเรได้ยดี้องมือดีด้วมาเรียนท่นเรียไปไหนยปไหนเรียนท่าอาจารย์ไปเรียนต่างประเทศเนระไหนร้านไหนไม่ทราบอ่ะเขมาหาเรา ปีแรกเนี่ยปีแรกเกียรติปีนึ่งไปมห้าไปศึกษาแล้วกลับมาเด็ที่มาสมุนที่วัดต้องว่าเค่ายมาทำเขาไปอยู่ที่โอคลาโฮมาตอนนี้อยู่ที่เชนเดอร์คนหีิงคนชายแค่ภาษากีนแล้วก็แล้ก็ไปตัม่เลือกไปทางโซนรักรักรอชิงตันสมุนไม่ทราบจะได้ยังไงคะ เขาให้เลือกฝ่่ไหมใช่ เ, ใเลเลือกไปเส่ต้องรอรอสเตจเลือดดีซีด<อ>ีซีออ <DC. S 3> ตอน <State. S 2> <7. S 1> นี้นก็ดีเป็นป่าเป็นเขาเยอะก็มีอยู่สองสามเมืองทัางทีรักแแต่ว่าตอนนั้นเป็นเนนื อ, อนที่น่าอยู่ทั้งหกแต่เด็กๆอาจไม่ชอบอาจจะชอบสองสีเขียวีอยู่ดีเข้าไปฮอลลีวูดมืแป๊วเอง ไม่ไม่เวเมียวเพรให้มีสติมากขึ้นก็ต้องสติเรื่อยๆนะก็ต้องสติเรื่อยๆอย่าไปคิดมากให้อยู่กับถึงที่เราเรียนก็ได้คิดแต่เรื่องเรียนอะไรอย่างนี้นะอย่าไปคิดถึงเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆ้ ขาบอกว่านักหนึ่งถึงเก้า้เจ้าสิบเก้าเกือบได้แ้ลองนอกรบไปก่อนก็ได้รอบไปนะเธอแล้วพวกตา้วันละวันละสิบห้ารียนได้รับไปได้เราจะเรียนหนสือเก่งขึ้นแต่คีอเข้าไปเรียน ที่คิดเวนาหน้าเขาก็ให้มาอยู่ไว้เจ็ดวันวเจ็ดวันมีนเจ็ดวันคุ้นต่มีเจ็ดวันนังบนงนัางอยู่นั่งวัาพระนั่งสมาธินี่แหละหน้าคุกมาด้วยแต่ไม่เขาไม่าลูกก็มาแ ม, ม่มาด้วยแม่จะทำงานน้าแม่ก็มีสมาธิ ด, ดีสุย วนนี้หลวงตาหลวงตาท่านอยู่ที่บุรีรัมย์เยนะแค่แต่คนนี้มาเาใหญ่คนใหญ่ใหญ่ก็ไม่ออสบายนั่นจึงหวัดนะหวัด้าวตุ้ยมากมืนกับูโรคภัยแคันไชา ก็อายุน้อยเนี่ยมันถ้ามันจะดูดกันให้อยู่เกาะกันแต่พอมากๆแล้วมันจะแยกกันก็ไม่เกาะกันมันจะไมายกันแหละมันจะไม่คนละทางน้ำก็อยากจะไปตัดในตัน้ำดินที่อจะกจะตัดในตัวดินนี่ก็เป็นธรรมดาอย่างของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นดินน้าลงไปทั้งนั้นหรือ ในคุณสมบัติเหมือนกันรวมตัวกันแล้วก็แยกอยากกันตัวนี้ท่้งไร้นานเข้มันก็สกทันเส็เหล่านี้ทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ตายเป็นเศษตัวเองเป็นธรรมชาติร่างกายไม่มีความสำคัญอะไรเหมือนการพใจัยใจจัตธรรมะที่เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้แล้วเราจะเฉ กัการเสียงของสีงต่างๆเรืนี้ถ้าเราคิดเยะเรจะเรยเรื่ยมันต้องเมันต้องเป็นแใจเราจะไม่หดหูถ้าเราไม่คิดพอคิดถึงมันทั้งทังั้งแรกมันจะกดหู่มันจะไม่กล้าไม่ไม่อยากจะคิดย่งไม่อยากจะคิดมันก็ยิ่งต่อต้านแล้วยิ่งต่อต้านเวลาเวลาเีสิ่งที่ไม่อยากจะคิดมันปรากฏขึ้นเรายิ่งรบไม่ได้เลย ถ้าคิดอยู่เรืยๆคิดอยู่เรื่อยๆเหมือนกับที่เราเจ้าสองพระนอนหลับให้เจริญมานานนักุขุพิมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็คิดถึงความตายของตัวเราและของคนอื่นพอเป็นธรรมหายใจออกก็คิดว่าคนนั้นต้องการคนี้ต้องการจากเราหรือเราต้องการจากเขาคิดอยู่นี้ไปเรื่อยๆแล้วเรวลามันจะเฉยๆมันจะยอมรับกับความจริงนี้ แล้วก็ไม่คิดถ้าไม่คิดมันก็เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ผลที่มันกระทบกับจิตใจมันจะแรงมันจะสร้างความทุกข์ข้กับแรามากแต่ถ้าคิดแล้วผลกระทบมันจะไม่มีมันจะเป็นอนย่างรเป็นเรื่องธรรมดาม <c oughs> ันต้องเจริญอยู่เรื่อยๆนะมรรคผลงานเจริญอยู่เรื่ อ, นะอยๆให้เลื่อ้ขอีมือ เรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดารวมพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เรามีการพัากตเป็นธรรมดามมพ้นจากการพัากไปได้คิด่นี้เรื่อยๆเวลาว่างๆมันจะคิดอะไรคิดแล้วมันจะเป็นที่พ้นทางใจมันจะทาให้ใจไม่หวนไหวไม่อุ่นวาไม่เดือดร้อน จากการมาการไปจากการแต่งการเกิดการตายของใครก็ตางของเราก็ตา่างในของตัวเองก็ตา่างตามลงมันทำให้เราอยากให้เขาอยู่ไปนานๆซึ่งมันขัดหลักความจริงอะไรถ้าไปขัดความจริงแล้วมันก็ต้องทุกถ้าเป็นไปต่างความจริงผมต่างความจริงมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิ ความที่ถูกต้องเห็นจำรือความจริงมยก็ไม่ทุกมัอก็ไม่ยู่ความอยากที่จะให้เป็นอย่างเป็นก็เป็นอย่างี่เป็นก็เป็นอย่างน้เนเเราตายกันมาไม่รู้กี่รอบนะนับไม่ถ้วนกต่จำไม่ได้กัน <c oughs> ตายจากการแต่ละครั้งก็ร้องหมร้องไห้กนะันแล้วเดยวก็เลยเมินใจนะตนที่ตายใจเราไปหยิบคนแล้วเนี่ย เวลาเขาตายใหม่ๆก็ร้องหร้องไห้แล้วพอผ่านไปก็เลวไปหมดลก็หาคนอื่นมายึดมาแล้วก็มาร้องหร้องไห้ใหม่ <laughs> okay, เหมือนกันมันร่อยแล้วมันจะเบื่อ <c oughs> แต่ธรรมะท้าหมอกต้องฟังท่ง้งไม่ใช่ไอาจารย์ไม่ใช่ทัาไม่ใช่หน้าคนธรรมาในกอไปต้งขันแล้วเนีย้20ชั่วโมงกังให้เบื่อแล้วพท่านอาจารย์มากที่นกี่ยวกับใก้ตาย่นองเปลี่ยนใจเลย่อยู่ถึงตอนนั้นไม่ต่างอย่พูด อย่าพูดอย่าถามทางทุกฎีเด้ออย่าถ้ามีคำว่าท่าแล้วมีแสดงว่าเป็นทฤษฎีเด้อจริงเด้นเนหรอไอคำถามนี้คนที่ได้ฟังได้อ่านหนังสือนะะได้ความตระว่างเยอะอย น, นะารั์รู้เยู่ลูกอปฮะเยอะมากเลยได้ประโยชน์เนอ แต่นี้าได้ประโยชน์แวได้กับเาวางได้เงอได้เงินได้กันมาขึ้นมางสู้รบกัวยเรื่องว่างก็มาก็มีมีแม่คนหนึงมีลูกก็เกจะเข้ามาหาอะไรเป็นย่าเนียหมายว่านุ่งยากไปเที่ยวไปถึงเกาะเ้มไหนะก็ปล่อยเขาไปมางเด็กหนึ่งอยู่ในวัยที่ก็อยากจะรูอยากเห็น เราตั้งให้คุ้มคุ้มกันว่าวท่านเองว่าอย่าไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเขาทาแล้วก็เป็นห้ามเขาไม่ได้เราไม่ได้เ้าพ่อเขาตลอดยุ่ผิดเพ่อย่างไม่ได้หน้าที่ของเรามีแต่ให้คุ้มคุ้มกันเท่านั้นเองให้คํามรู้ที่ถูกต้องว่าไม่ควรจะทําอะไรถ้าทําแล้วก็แม่ไม่ได้มาทุกข์ด้วยแม่ไม่ได้มาเจ็บด้วยแม่ไม่ได้เป็นด้วยนะร่ยูจะโดนคนกังวลเราแค่นั้นนหะ แต่ถ้าเราไปจ้ที่ย้ำชายไปไปกดไปยัดไปบังคับทขาเนี่ยเขาจะต่อต้าน่งห้ามมีอยู่แต่แล้วเราผู้เหมือนเราเขาเป็นคนที่หลับผู้ใหญ่เขาเข้าใจคือกันไรภาษาคือกานเพียนขรั้งสองครั้งหรือ ว, ว่านานๆก็พือเคยแคครั้งะไรอย่างเงี้ไม่มา ก, มากเกินเกไปมันก็ไม่เกิดความดึถ้าฟังเช้าฟังเย็นมักนก็ลำคั บางที เ, เพราะว่าเราไปถอนเข้ามากเกินไปเดีกระทั่งเขาเกิดความต่อต้านขึ้นมาในใจไม่อยากจะมองหน้าเราเลยไม่อยากจะเจอหน้าเลยเจอทีไรก็มีกระดาว่มีแต่ว่ามีแต่ตำหนิคือด่าว่ามันก็ดีเป็นการให้มันถูกต้องนะถูกต้องให้มันพอประมาณแตเหมือนกับยายากินมากเกินไปมันก็ท้าายาท่ะ ไม่พอเนีขึ้นมอนกทางหน้าคงจะานนะตวันที่20 20ุณจานอบเนลดินรนี้มันเร็วหลายองามาองตามเลยะไม่งน อยาท้าวว่าวหาตุระาิตวติสัตวังเอวเมวะอิโตกิญญาเตตานาอุปกาติอิจตานปกิตังตุมังทิพวเมวะชนิตุสัพเพโทเรนตุังกปายมูปณะระโยากนิโสติระโยท้าสัพพิติโยวิวัตานุสัพพรโควิณัตต มาเตภวสวันตทรายโสายสุภิติไคโกภวนาคีวะาเทนสวติชะวิจชังนิทาภั จ, า, จ า, ยายโนจตารธรมาวะท า, านติพาญวโนสุ ข, ขงพพัองอาลาจะใครต้องการเพิ่มอีกก็ได้นะมีเหลืออยู่ อันนี้ก็จะมีจินตรากรเริ่มเกิดอยู่ืออ่อยเรย้เห็นอ่านนที่เชื่อเราจะรู้กันไหน <c oughs> ใอ่วอาจารย์ก็ยังเรียงน้การเป็แบบน้ำกำแังก็จะได้เป็กสายญมา้กคุณญาอยากเจอาานะที้เราจะไม่วิเราก็แต่ให้มันเพราะตอนนี้มันมันมันใกล้ชิดกันันก็อ่านแล้วมันจะทำตามกันไวเราถ้าถ้ายุดคืนจนเราทำกันแล้วแ่เงนโกเรียนทีเดียวีนะพ ตอนนี้เขาก็มีคำถามให้อ่านตลอดเวลาอยู Actually, ่แลวเนี้อข่ามันรูดรวมกันหรือจะเลือกแต่คำถามที่ที่ที่ชอบที่ที่เขาอมีคนที่รู้คาถามคนตอบท่านมาทางเว็บแล้วท่านตอบผไม่คอยมีใช่ไหมนาท้างว่าตอบตอบผิดดูได้เยอะเหมือนกันลงภาวนาแต่รวมให้เองได้ฝังได้ความสนใได้เอง ใช้คอมใช้คอมดูเนีแล้วก็รวมๆก็ได้แล้วถัาเห็น่อยากอยาจะิมพ์อกมาก็ได้าะรเมันก็มีทั่วไปมันก็มีภาวนาแล้วก็มีคำถามต่างๆท่านอาจารย์ที่เราแยกไว้สำหรับก็ลองเลือกดูเอา ไปไปดูว่าที่หลวงตาสร้างที่ที่เขาใหญ่เอยที่เขาใหญ่ี่ไปไเคยไปเลยม่ทเแล้วตอนนี้เ็จไปเยี่ย่ีา้เห็นแล้วตอนนี้เสร็จไปเยี่ยมใช่ไหมได้ขอพอาจารย์ท่านก็ไปสร้างอยู่ทางนั้นเลยใช่ครับเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนผมขึ้นไปมาให้แดงแดงถ่าท่านหกน้องอะไอมึงมีมีโยมเขามาเล่ามีโยมคนยังที่ปฏิบัติดีมากท่านหัวตอนนี้ปฏิบัติได้ดีมาก เป็นที่อยู่นม่ถูกแล็ไปสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆวัดครื่อรเาชื่ออะไรนะไม่ทราบเขาเคยเป็นแอร์นะฮะแล้วก็ปฏิบัติดีแล้วถ้ามันีะมีคนเข้ามาหาที่ให้แล้วก็ลงสอบเองค่อนจะออกไปปฏิบัติ้พราคนนี้ปฏิบัติได้ไม่ถงท่านเป็นแอร์ใช่ไหมครับขเราก็มีแอร์เลยก็เลยทให้เครอสาวยโจหลายคนก็าดีใจว่ามารลุทาได้โดยไม่ต้องบวช เราบางอค์ที่จะจะบรรลุเป็นพรอริยได้จะต้องเป็นนักบวช่างองควเราเขามีอนค์บรรลุได้เพราะอเขามีกาลังจิตกลังใจที่จะปฏิบัติแต่ใหญ่ช่างๆแที่ที่เราหน่งมกเหล็กท่านได้ยัมุกเหล็กไม่ไ้อยู่ใกล้กับที่หลวงตาไม่ไม่ใกล้ขาดนั้นหงตาห่างจากเขาใหญ่อีกปรมายี่สิบกิโลนหงตาจังแดงทอยู่ตรงุกเหล็ จากนั้นก็มีอีกว่าเึิงของพวกคนคนการบินไทยไปสร้างไว้เหมือนกันที่ให้พระวัดโบว์ไปไปไปอย่ที่แถวนั้นแหละแถวปากช่องแถวเป็นพวกคืออะไรไม่ทราบเขาจะเขียนแล้วมันเารอ๋อ่รู้เรื่อึนจ๋แล้วก็ท่านอาจารย์วิระไปถ้าจะหนามวิระไปไปสร้างผมเคยไปท่านจิตร์เป็นเป็นเป็น แล้วกตอนนี้ก็เห็ไม่มาถามก่าทีพวกสายของบอาจารย์ชาพระวัดตานาชากไปสร้างอยู่นั้นอยู่เพิ่งเริ่มสร้างเนี่ยเียสวยเฮียสวยจะเริ่มหาก็เห็นว่าทางนั้นหน้าปฏิบัติปะสร้างแล้วกันนั้นเยอป็นป่าอากาศดีแต่ก็องไปลูกใหม่นะถ้าอย่างเยอะก็วิสระจะเยอะตรงนี้ก็้ไม่ให้ดูดี อัอนี้เข่เป็นเถิมันเป็นของต่ำมากครั <c oughs> แล้วก็มันมันมนเป็นเถิดของที่เรื่ออันนี้ไม่ค่อยมัยมย น, นก็ปลอดภัยเานาดเถิตาำมาแบบนี้เขาอนุญาตให้ให้ใช้เป็นสร้างวัดอย่รบคือพอดี <c oughs> อันนี้มันถ้า่อนที่เขามาประกาศเถิดใ น, นเวลาประกาศถิดเ้าก็เลยเลือกประกาศแบบชนิดที่ให้พระอยู่ได้ด้วย คือ ต, ตอนนั้นเนี่ยทางวัดขึ้นมาพัฒนาตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีโครงการพระราชดุลิเ ป, เป็นป่าของที่มีที่ของหลวงดูแลอยู่ห่างๆไม่ได้มาดูแลอย่างใดทุกข <c oughs> ์ก็มีคนหลุดลุกขึ้นมาถางป่าปลูกไร่ปูกต้นไม้อะไรแล้วก็พอดีมีท่าอาจารย์ที่ท่านมานเป็นหัวหน้าฉีข้างล่างท่านมาจากวัดท่านของเพล่อาจารย์หลวงท่านก็เห็นว่าข้างบนนี้สบงบดีท่านก็เลยพาญาติโยมขออนุ ญ, ญาตเสร็จ รายญาติโยมก็จะมาจะทำทกสติให้เป็นกลางที่วิเวย้ยสงบนะที่จะทำอย่างาตอนนั้นก็ยังไม่ไม่ได้เป็นเูกห้าว่าตัดไปทุกวนันนี้แล้วพอสร้างได้เสร็จไม่ไม่กี่เดือนไม่หนูท่านก็เสด็จขึ้นมามาตั้งสมเด็สังวราระตอนนันน้นเสด็จท่าน้็มาลาท่านมาปฏิบัติเทวสกที่วัดยามท่านก็จะมาประทับอยู่บนฐาน หลวงก็มามามาเฝ้าแล้วก็วมาผลันมาก็เห็นกรถานที่ยุ่งเนาะสงบดีแล้วก็เลยมีการปรึกษาตอกกันว่าประกาศให้เป็นเขตอะไรเพราะเขตบางชนิดนี้คนอยู่ไม่ได้เลยก็เลยประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ถ้ามีที่อยู่ในถางนี้ก็ยังมีอยู่ได้เป็นให้อาศัยอยู่ไม่ได้เป็นที่ของวัดเป็นที่ของ ก็อะไรอยู่อาศัยเว่าจะทำอะไรก็ต้องศึกษาจากหัวหน้าเขตก่อนจสร้างสติตจะทำงานก็ต้องขออนุญาตก่อนงบอกก่อนจะสร้างเป็นว่ดเฉลยได้ไไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้มีสถานะอะไรถือว่าเป็นเพียงเกจารบงสาของวัดยาญเวลาช่วงเข้าพรษาก็ จะประกาศเขตจะจะประกาศรวมถึงเขตตนี้ด้วยพ่ะวิหารที่มมจำพรรษาของพระวิหาร น, นี้กว้างมากข้างล่างก็ประมาณสองพันไร่แล้วข้างบนนี่สองพันไร่ <c oughs> เป็นเถื่นที่อยู่จำพรกษาได้ดดคื อ, ม อ, ไ, อ, อไม่ใชจคือม่้นสิทธิ์้องวัดค่ะไม่ไม่ไมรรแต่ป็นรทธิงวัดแต่แต่พระสามารใช้เป็นเถืกอ น, นจึพษาได้ อย่างพาไปที่ดงที่ไหนท่านก็จะกำหนดเขตว่าจะอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นเขตคำใจ้ก็มันก็เป็นเข่ี้เพราะทางของทางของทางข้อวิญญาณนี่มันเป็นทางธรรมมันไม่ได้เกี่ยวกับทางโลกเพราะเวลาไม่ได้ไปยึดของเป็นสมบัติเป็นท่าของอะไรสมัยก่อนนี้ท้าท่านจะไม่มีวัดอยู่เป็นประจำท่านกะทุดงวิเวจาริสไปเร่ยๆคนที่จะสร้างวัดนี้เป็นเป็นชาวว่าดียาดอยคนที่มีฐานะเป็นเศรษฐี ทางวิสาขาฤกษ์ใส่สร้างแล้วก็มีมวลให้พระอยู่พระสมัยก่อนไม่มีหน้าที่สร้างวัดสร้างอะไรมีแต่าโยมเป็นคนสร้างสร้างให้แล้วก็มีมวลให้ไปพักอยู่ทำพรญษาเราไปปฏิบัติแล้ก็ไปอบรมทำกอน เม่ว่าสอนก่อนควาที e. ่สันติธรรมเพื่อนักเอียนคือเขามีบ้านสันติธรรมเขาเข้ามาสันติธใช่ไหม้วกขาวไอ้วขาวะดีเข้ามาเล่อรนอยนี้ก็จะระแวยี่าคนอใช่ที่นั่นที่อาจารย์อาจารย์ฟรักกูอยู่ ที่เดียวเลยที่เดหลายองค์หลายองค์เขบอกมีสองที่เนี่ยสันติธรรมหรือสันติอะไรกันนี่ยสันติธรรมเริ่มติดบ้านคุณพ่อคุณแม่แก่ที่หลวงพ่อเขได้สวนอะไรานเขาว่ามีอย่ที่หนที่ที่ที่คล้ายๆกับที่มีหมดของพระไปออสนจิตเจ้าสมจิตเาอันนั้นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นรูปของตูนุยก่ตูนุยตูนุูนุยตูนุ งันเมื่อก่อนทก็คืเวลาท่านลงมาก็จะไปที่น right? ั่นันนอนนี้ก็ยังไปอยู่ใช่ยังไปไปรักบานึงคผมก็ไปรัาไไปตรงนั้นาัอยู่ที่ัเมื่อก่อนเลยักตอนหลังก็ไปอยู่บ้านแบ้นต้งสบาใช่มานาอมาดูรักษาเพืให้มาดูตาการ เราเท่าดีไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปหรอก่กลจะไปแล้วเมนแต่เหมือนเหมือนเหมือนโเิงที่เก็บตัวหนึ่งแล้วตัวอืมาลงนแต่นี่จะโลกจะหายกับตายเลยไปดูอย่างนะะ Thank <laughs> you.